การฟังพระธรรมฉะนั้นการฟังธรรมด้วยความเคารพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะจะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนทําให้มีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัพพัทเจ้าเป็นเหตุใงการบรรลุธรรมด้วยนะท่านกล่าวไว้ในคําสอนบอกว่าเมื่อเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมีตถาคตโพธิ์ที่ศัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลเจกิเลตแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา8ปจารณาสิเป็นผู้เสด็จประดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นต้นด้วยความที่เชื่อมั่นปัญญายาณตต่สรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย แล้วก็เชื่อมั่นว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้จริงทำผู้ปฏิบัติและศึกษาให้สามารถแทงตลอดได้จริงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นแล้วก็เชื่อมั่นในคุณของป ร, ริยาสงฆ์เป็นต้นที่กล่าวตรงนี้ต้องการให้เราท่านทั้งหลายเวลาจะฟังพระธรรมนั้นก็ให้สงบกายสงบวาจา แล้วก็ให้ตั้งใจให้สงบเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปนั่งเข้าไปใกล้แล้วก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วก็เงียบโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้ยังกุศลแฉันทะยังความพอใจให้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเมื่อฉันทะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอุตสาหะจากอุตสาหะก็ตั้งความเพียรเกล้วกล้าอาถารก็มีสติกำกับ มีความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วจะได้เกิดปัญญาที่รู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเราฟังธรรมด้วยความเคารพอย่างนี้แล้วก็จะเป็นปัจจัยทำให้มีความเข้าใจในพระธรรมอย่างลึกซึ้งอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะฟังธรรมเพื่อการขัดเกลวไม่ใช่ฟังเพื่อจะได้ข้อมูลความรู้แล้วเอาไปอวดหรือไปโชว์แต่ต้องการที่อยากจะ ผักดันให้กุศลจิตเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆฉะนั้นจึงบอกให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งใจในการที่วางเรื่องอื่นให้หมดแล้วก็ตั้งใจในการที่จะฟังธรรมะจริงๆถ้าทำได้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมากและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การที่จะแทงตลอดพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่มีสิ่งใดๆมาขัดขวางด้วยอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะ นั่นในขณะที่ฟังบางท่านอาจจะทำจิตให้สงบแล้วก็ฟังไปตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลยังบาปอคติ ก, กรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายในใจให้สงบราบคาบเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของพรหมวิหารแล้วก็เชื่อมโยงสู่สังหาวัตถุจากพรหมวิหารก็คือเมตตากรุณาเมตตาและเบขาซึ่งเรารู้กันดี แล้วก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อสังขาวัตถุก็คือทานการให้ปิยาวาจาการพูดจาน้ารักอัอจริยาการประพฤติประโยชน์สมานัตตาก็มีตนเสมอสมานเสมอกันในธรรมะแล้วก็สมานในธรรมแล้วก็เดี๋ยวจะไปขยายในรายละเอียดแต่สิ่งที่ต้องการอยากจะกล่าวให้เราก็คือว่าให้เราทั้งหลายได้เข้าใจในหมวดของตัว พรหมวิหารคือเมตตากรุณาเมตตาและเวขาเนี่ยเป็นธรรมะประจำใจธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจเพื่ อ, อไว้กากับพฤติกรรมเพื่อจะได้เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามทีนี้ธรรมะที่จะสามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะตัวเมตตากรุณาเมตตาและเวขาเนี่ยถ้าตัวพรหมวิหารเนี่ยเป็นสมาธิศึกษา อยู่ในขั้นของจิตตสิกขาเป็นคุณธรรมด้านจิตใจแต่ถ้าผักธรรมะหรือว่าขับเคลื่อนออกมาสู่ภาคปฏิบัติการอันนี้ก็เรียกสังฆ า, าวัตถุเช่นผักมาในการให้การให้เนี่ยนะการให้การกล่าววาจาอ่อนหวานการประพฤติประโยชน์หรือการวางตนที่เหมาะสมอันนี้เป็นสังค า, าวัตถุ แล้วถ้าภากออกมาเป็นการกระทําและคําพูดเป็นต้นในนี้เป็นระดับศีลอย่างนี้เป็นต้นเลยนะทีนี้ก่อนที่เราจะเราจะได้เห็นการทํางานของกระบวนการของพระธรรมเวลาเกิดขึ้นในจิตใจในชั้นของสมาธิภาออกมาเป็นในด้านของสังขารวัตถุคืออย่างนี้ว่าตัวธรรมะในด้านของสมาธิสิกขาเนี่ยเป็นเมตตากรุณามเมตตาแลวิคขาเป็นต้นทีนี้ ถามว่าตัวพรหมวิหารธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาด้วยอะไรดังที่ได้กล่าวว่าครั้งก่อนคือถูกขับเน้นมาจากตัวชันทะคือความรักความปรารถนาดีในการที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นเห็นว่าเมตตาดีจริงๆกรุณาดีจริงๆมุทิตาและเปรคาดีจริงๆแต่ถ้าเราต้องการอยากจะรู้ตัวการเกิดขึ้นตลอดสายของตัวศินสมาธิปัญญาสมาธิก็คือตัวกลุ่มพรหมวิหารธรรม ถ้าในชั้นของศีลที่ผลักออกมาเป็นสังขาวัตถุและก่อนหน้านั้นน่ถ้าถามว่าอะไรเป็นตัวผักดันที่ทำให้เมตตาเป็นต้นเกิดขึ้นอีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าตัวปัญญาถ้าพูดถึงในเรื่องของปัญญาก็มีตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็สัมมาสังกปะความดําริที่ถูกต้องตัวที่ใกล้ชิดตัวพรหมวิหารมากที่สุดก็คือตัวสัมมาสังกปะ ในสัมมาสังกปะเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่าสัมมาสังกปะคือความดำริเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าสัมมาสังกปะก็มีเป็นฉไหนก็คือเนกข ม, มามสังกปะความคิดออกจากกามอัพยาปาทัสังกปะความคิดในเรื่องของเมตตาคือออกจากพยาบาทเอาหิงสาสังกปะความคิดในเรื่องของการไม่เบียดเบียน ฉะนั้นสังกับป่าเราเนี้ยเป็นฝ่ายของปัญญาพอพูดถึงเรื่องสังกับป่าแล้วก็แยกเป็นสองส่วนนะสังกับป่าที่เป็นฝ่ายอากุศลกับสังกับป่าที่เป็นฝ่ายของกุศลถ้าสังกับป่าที่เป็นฝ่ายของอกุศลเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งไม่ดีคืออะไรคือกามาสังกับป่าหรือกามวิตกก็คือความดัมเที่เกี่ยวข้องกับการความคิดนึกในทางที่จะสแสวงหา หรือหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามคุณทั้งหลายปรารถนาอยากจะได้สีที่สวยๆเสียงที่เพอ้พอๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นความคิดในทางเห็นเก่ตัวเป็นความคิดนึกในฝ่ายของราคะหรือในฝ่ายของโลภะคือความอยากจะได้และอยากจะเอาอยาี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นมิจฉาสังกปะเป็นความคิดผิดอีกตัวหนึ่งก็เรียกพยาปาท้าสังกปะก็คือพยาบาทวิตกความดําริ ที่ประกอบไปด้วยความคับแค้นชิงชังขัดเคืองไม่พอใจคิดเห็นเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆมองคนอื่นเป็นศัตรูกระทบกระทั่งเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปในทางขัดเคืองไม่พอใจเนี่ยคิดในแง่ของโทสะอันนี้เขาเรียกตรงข้ามกับเมตตา น, นี้เขาเรียกพยาปาทสังกับปาประการที่สามเขาเรียกวิหิงสาสังกปะยอมเคยได้ยินคานี้ไหม หรือวิหิงสาวิตกความดําริที่จะคิดเบียดเบียนทําลายตัดตรอนหรือทําลายกระทบกระทั่งลุกรานคนอื่นอยากให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นต้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอกุศลเป็นอกุศลสังกปะได้บรรดาอกุศลสังกปะหรือการคิดในทางที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมาจากอะไรมาจากความเห็นผิดเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิ เมื่อมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นมาแล้วก็พัวพันทําให้การหมกคิดไปในเรื่องของกาบบ้างคิดในเรื่องของพยาบาทบ้างคิดในเรื่องของการเบียดเบียดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเป็นชุดของมิจฉาสังกปะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลถ้าความคิดในลักษณะนี้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้เมื่ อ, อไรปุ๊บเนี่ยมันจะผากออกมาแล้วทําให้สภาพจิตใจเรา่าร้อนว้าวุ่นในเรื่องของกําหนัดขัดเคืองเป็นต้นอตรงกันข้าม ที่จะพูดปัจจัยที่จะทําให้เกิดเมตตากรุณามุธิตาหรือเวขาก็พูดในเรื่องของตัวสัมมาสังกปะก็คือความดํมบีชอบถามว่าสัมมาสังกปะเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนมีอะไรเป็นตัวสนับสนุนในภาวะที่จิตเนี่ยมีโยนิโสมนสิการมีความฉลาดคิดเป็นต้นก็จะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการมีความดําริที่จะปลอดโปร่งเป็นอิสระปราศจากความลําเอียง ทั้งฝ่ายของความติดยึดทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นไปในลักษณะของเนกขมัสสังกปะถามว่าเนกขมัสสังกปะหรือเนกขมะวิตกคืออะไรความดําริที่ปลอดจากโลภะความดําริที่ปลอดจากราคะคือความกำนัดความนึกคิดที่ปลอดจากปลอดโปรงจากกามคือความยินดีเพลิดเพลินทั้งหลายเป็นต้นความที่ไม่หมกมุ่นติดข้องในสิ่งที่จะสนองความอยากความต้องการ ความคิดที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวเป็นความคิดที่เสียสละเป็นความคิดที่เป็นคุณเป็นกุศลทุกอย่างจัดเป็นความคิดที่ปราศจากราคะหรือเรียกว่าปราศจากโลภะนั้นความคิดตรงนี้สำคัญมากเป็นเนกขมัสสังกปะเนี่ยความคิดในการที่จะสละจะให้ก็ได้เป็นความคิดที่น้อมจิตออกจากกามคุณทั้งหลายออกจากความคิดติดข้องหรือหมกมุ่นเป็นต้นเหล่านี้ ประการที่สองที่เป็นกุศลสังกปะที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่พระวิหารธรรมที่ชัดที่สุดก็คืออัพยปาธาสังกปะแปลว่าอะไรก็คืออัพยาบาทวิตกก็คือความดําริที่ไม่มีความเครียดแค้นชิงชังความดําริความคิดที่ไม่ขัดเคืองเพ่งมองหนึที่ที่ไม่ไม่เพ่งมองหนึงแย่ร้ายโดยเฉพาะมุ่งเอาธรรมะที่ตรงกันข้ามก็คือหมายความว่าถ้าความคิดที่ไม่แค้นเครือง ไม่ขัดเคืองไม่ชิงชังหรือความคิดที่ไม่โกรธก็เลยตรงกันข้ามตรงกันข้ามกักบความโกรธก็คือเมตตาซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีความมีเมตตรีต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขจัดเป็นความคิดที่ปราศจากโทสะเห็นไหมถ้าเรามองนี้จะเห็นได้ชัดว่าโอ้กระบวนการความคิดที่เป็นอภพยาปาทาสังกปานี้เองที่เรามองเห็นตัวเมตตาแล้ว เไม่เมตตาที่จะเกิดขึ้นในใจเนะี่ยเกิดยังไงมันมาจากการกระบวนความคิดที่ถูกต้องเป็นความคิดที่ปลอดจากโทสะปลอดโปร่งเป็นอิสระเป็นความคิดในการที่จะปรารถนาดีเอื้อทรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นกระบวนการความคิดอันนี้นี่แหละที่ทําให้เมตตาคือความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบแบบจับจิตจับใจเกิดขึ้นได้จริงแล้วจะเข้าถึงภาวะหมวดของความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นต้นได้อย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นลักษณะของตัวเนกขมัสสังกัปปะที่เป็นไปในลักษณะของความคิดที่ที่เป็นไปในเรื่องของออกจากกามส่วนอัพยาปาทาสังกัปปะเป็นความคิดที่ออกจากความเครียดแค้นชิงชังขัดเคืองหรือเพ่งมองในแง่ร้ายต่างๆมุ่งเอาในธรรมะที่ตรงกันข้ามหมายถึงเมตตาซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีความมีไมตรี ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขจัดเป็นความคิดนึกที่ปราศจากโทสะประการต่อมาคืออวิหิงสาสังกปะยมเคยได้ยินคํานี้ไว้แล้วอวิหิงสาก็คือเอวิหิงสาวิตตกก็คือความดําริที่ไม่เบียดเบียนความคิดความคิดเบียดเบียนก็คือความคิดทําร้ายหรือทําลายแต่ถ้าเอาวิหิงสาเนี่ยมุ่งเ อ, อาธรรมะที่ตรงกันข้ามก็คือกรุณาซึ่งหมายถึงความคิดช่วยเหลือผู้อื่นในพ้นจากความทุกข์ จัดเป็นความคิดที่ปราศจากโทสะเช่นเดียวกันหรือเป็นกลุ่มของโทสะสรุปตรงนี้ก็คือว่าตัวเนคขมัสสังกัปปะในความคิดออกจากกรรมอพยาปาทัสสังกปะความคิดที่ออกจากพยาบาทอาวิหิงสาสังกปปะความคิดในการที่จะออกจากการคิดเบียดเบียนก็เลยมองเห็นแล้วแต่นี้ว่า นั้นตัวเนกขมมะตัวอพยาบาตตัวอวิหิงสาอาจารนี่มาดูว่าเชื่อมโยงยังไงเชื่อมโยงยังไงยอมลองสังเกต ด, ดูในตัวเห็นไหมยอมมองเห็นใช่ไมนั้นเราดูตัวสไลด์ที่ขึ้นหรือว่าตัวอ๋อไม่เห็นใช่ไหมยอมพูดออกมาได้ยินเลยคือ ได้เป็นไ ร, ร, รไ ใ, ในรูปที่สาม ท, ที่ส่งไปให้ในไลน์ทั้งหลายเ น, นี่นนนยทีนี้ตัวสัมมาสังกปะเนี่ยที่เรียกว่าเนคขมะความคิดที่ปลอดจากกามเนี่ยปลอดจากโลภะปลอดจากความกำหนัดยินดีความคิดในลักษณะอย่างนี้จะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนให้เกิดอุเบกขาส่วนตัวอัพยาปาทาสังกปะ ความคิดในการที่ไม่พยาบาทความคิดที่ออกจากความโกรธความพยาบาททั้งหลายเหล่านี้อันนี้จะเป็นไปกับเมตตานอกจากเป็นไปกับเมตตาแล้วเนี่ยยังเป็นไปกับมุทิตาด้วยพรอยินดีด้วยอยู่ด้วยกลุ่มนี้นะเนืเน้ส่วนอวิหิงสาสังกปะก็จัดอยู่ในส่วนของมุทิตาแล้วกป็นไปกับกรุณาเห ไ, ไหม ไอตัวเอาหญิงสาสังขปะาเนี่ยเป็นทั้งกรุณาด้วยแล้วก็เชื่อมโยงสู่ความเป็นมุทิตาพอยินดีด้วยตรงนี้อาจจะยากนิดหนึ่งนะอาจจะยากนิดหนึ่งว่าถ้าไปยึดโยงในกรณีว่าอ๋อเมตตาที่เกิดขึ้นในใจกรุณาที่เกิดขึ้นในใจมุทิตาที่เกิดขึ้นในใจและอุเบกขาที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเอาเมตตาการุณามุทิตาแล้ว เอาเมตตากรุณามุฒิตาสามตัวนี่ก่อนนะสามสภาวธรรมนี้ก่อนคีอเราเห็นว่าอญาติโยมทั้งหลายเนี่ยอุเบกขาเป็นธรรมะที่เจริญได้ยากการที่จะทําให้อุเบกขาเกิดขึ้นได้นั้นต้องทําเมตตาให้ช่ำชองก่อนทํากรุณาให้ช่ชําชองก่อนทํามุฒิตาช่ชําชองเมื่อมีความเข้าใจดีในธรรมะที่เป็นเมตตากรุณามุฒิตาได้ชัดเจนแล้วเนี่ยจึงจะสามารถทํา อุเบกขาเกิดขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเมตตาเนี่ยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าฉะนั้นกรณีแห่งการที่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเนี่ยการที่เราจะทําพรหมวิหารให้เกิดขึ้นก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในสถานการณ์ที่ปกติ เ, เราควรจะทําเมตตาจิตให้เกิดขึ้นแต่เมตตาจิตเนี่ย จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเป็นความคิดถ้ายังมีพยาบาทอยู่ยังมีความคับแค้นจิตทางด้านจิตใจอยู่ฉะนั้นตัวอพยาปาทาสังกปะจึงมีอิทธิพลมากที่จะทำให้เมตตาจิตเกิดขึ้นแต่ถ้าถามบอกว่าตัวสังกปะเหล่านี้มีอะไรความคิดที่ไร้พยาบาทความคิดที่ไร้การเบียดเบียนจะเกิดขึ้นมาได้ ก็ต้องอาศัยกําลังของโยนิสโสมนัสิการตัวโยนิสโสมนสิการความเป็นผู้ฉลาดคิดนั้นความเป็นผู้ฉลาดคิดในอันที่จะทําให้ปัญญามีปัญญาเป็นตัวยึดโยงเชื่อมโยงในการที่จะให้กระบวนการความคิดที่ถู ก, ถกต้องดีงามนี้เกิดขึ้นฉะนั้นตัวเมตตาเกิดขึ้นมาได้ที่มีความรักความปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนเกิดขึ้นในยามที่หมู่สัตว์ทั้งหลายปกติเนี่ย การทำเมตตาให้เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าทำยากไหมก็ต้องบอกว่ายากถ้าหากว่าเราไม่มีตัวกลุ่มกุชัลกุศลฉันทะไม่มีกลุ่มตัวโยนิโสมนัสิการไม่มีตัวกลุ่มตัวอภิยาปาทสังกปะเป็นตัวผลักดันให้เกิดขึ้นแต่ถ้ามีตัวกลุ่มคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นการคิดที่ไร้จากพยาบาท เป็นการ ค, คิดที่ออกจากพยาบาทได้แล้วเนี่ยความคิดที่จะทำให้เมตตาเกิดขึ้นก็ไม่ยากฉะนั้นการทำเมตายเกิดขึ้นจึงเป็นการปรุงแต่งจิตที่เป็นนั่นเองถ้าปรุงแต่งจิตยังไงถึงจะจัดว่าเป็นการทำเมตายเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวว่าเมตตาเนี่ยมีมีภาวเห็นภาวะงดงามของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเห็นจุดเด่นเช่นเห็นพฤติกรรมทางกายที่ดีๆของเขา เห็นการการพูดจาดีๆของเขาเห็นตัวพฤติกรรมทางกายทางวาจาและสภาพจิตใจที่ดีของเขาการที่เราได้ไปมองเห็น <h> จ <wyp> ุดเด่นของหมู่คนทั้งหลายให้เกิดขึ้นนั่นแหละจะยังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นได้ทีนี้คนที่อยู่จะไปทำเมตตาจิตให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยเป็นการทำได้ยากวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าให้มองมาที่ตนเอง เห็นจุดเด่นของตนเองที่จะสามารถเมตตาตนเองได้อายกตัวอย่างเช่นว่าตนเองเป็นผู้มีศีลกระแสะชีวิตของเราเนี่ยงดว้วยา ก, การฆ่าใจที่เป็นไปกับการุณามีความหรือเป็นไปกับเมตตาตนเองกรณีที่เราเมตตาตนเองเรารักตนเองเราเห็นความดีๆเกิดขึ้นกับตนเองวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพฤติกรรมทางกายของเราเนีไม่ฆ่าสัตว์ เรางดเว้นจากการฆ่าใจที่เป็นไปกับโกรนาเดินตามรอยพระทหารบูชาคนุบุรุษเจ้าเนาะโอเราได้เราได้พฤติกรรมทางกายในมุมนี้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็ตั้งเจตนาต่อว่ามีเจล็ดจำ侬มีความจงใจตั้งใจที่จะงดเว้นจากการลักการป้นการจี้การช่อลาดบังหลวงคอร์รัปชันทุกอย่างใจที่เป็นไปกับการสละในการให้ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มากได้วยโพกษะซับเป็นต้นแลกอยู่ดีมีสุขโภบโพกษะซนั้นด้วย เพื่อเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณพระเจ้าก็เห็นมุมดีของตนเองแล้วก็เห็นว่าพฤติกรรมทางกายตนเองนั้นเราไม่เอาพฤติกรรมทางกายไปประพฤติผิดในการมหรือไปภาคของรักของห่วงใครเลยเรามีกายที่สะอาดบริสุทธิ์นอเดินตามรอยพระอรหันต์บูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นพฤติกรรมทางกายของตนเองดีๆนี่เราก็จะเกิดชอบใจและเกิดความรักว่าเราได้ทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราในด้านพฤติกรรมทางกาย มาตรวจสอบในพฤติกรรมทางวาจาของตนเอง 1. เราเป็นผู้มีเจตจำนงในการที่จะพูดคาจริงเรามีเจตจำนงในการที่จะพูดคำที่เป็นประโยชน์มีเจตจำนงในการที่จะพูดคาที่เป็นถูกการถูกเวลาถูกบุคคลและมีเจตจานงในการที่จะพูดคำที่อ่อนหวานไพเราะพูดสมัรสมานสามัคคี พูดให้คนเชื่อมโยงกันสมัครสมาน ส, สามัคคีกันและในขณะเดียวกันก็มีเจตจำนงในการที่จะไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นต้นแล้วก็ตรวจสอบพฤติกรรมทางกายของเราก็สะอาดบริสุทธิ์หมดจดพฤติกรรมทางวาจาของเราก็สะอาดบริสุทธิ์หมดจดอย่างนี้เขาเรียกว่ามีใจรักในตนเองปรารถนาดีกับตนเองทีนี้ไปตรวจสอบทางใจขจัดความโลภความกำหนัดจินดีในใจได้ขจัดความโกรธความขัดเคืองได้ขจัดความมัวเมารุ่มหลงเป็นต้นได้ ไม่ทําไม่เอาของมื่นเมาใส่ในกระแสชีวิตเป็นเหตุให้เป็นที่หวาดระแวงข้ามหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นต้นพอได้กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดแล้วก็ใจก็สะอาดก็มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดพอไปเห็นจุดเด่นในตนเองอย่างนี้จะรักตนเองทั้ง3ทางพฤติกรรมทางกายก็น่ารักทั้งด้านพฤติกรรมก็น่ารักทั้งด้านานด้านจิตใจก็น่ารักแม้ทั้งด้านทัศนะความเห็นที่เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิก็น่ารักน่าชื่นใจจริงๆ การที่เราทั้งหลายเห็นความดีเห็นจุดเด่นของตนเองอย่างนี้ปุ๊บก็ระลึกว่าบัตรนี้เราตั้งมั่นในกุศลและธรรมเราตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์นาะตอนนี้กายของเราก็สะอาดวาจาของเราก็สะอาดใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์หมดจดกระแสชีวิตของเรานี้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ดําลงมั่นอยู่ในธรรมะตอนนี้เรากําลังประพฤติธรรม ธรรมะกำลังรักษาเราเหมือนฉัดเหมือนล่มกางกั้นไม่ให้เปียกฝนและแดดทําให้ไม่ร้อนทําให้ไม่หนาวเป็นต้นเหล่านี้ตอนนี้เราเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ทางกายทางวิญาก็เกิดความรากักความปรารถนาดีกับตนเองแบบจับจิตจับใจจริงๆการที่สามารถคิดแล้วเห็นคุณความดีของตนเองเห็นจุดเด่นในตนเองอย่างนี้ปุ๊บเมตตาจิตจะแผ่เข้าไปนะความรากักความปรารถนาดีตนเองที่บอกว่า สุขกายสุขใจปลอดภัยเป็นตัวเหล่านี้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเนี่ยไม่ต้องขอเลยแต่นี้ความสุขเกิดขึ้นจริงๆขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนได้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถินนี่ชัดเลย แผ่ไมตีจิตเมตมตาจิตก ร, รุณในตนเองรักตนเองอย่างลึกซึ้งอย่างตอนนั้นปราโมทเกิดพีตีก็เกิดปัสสติความสงบก็เกิดสุโสมนัตในใจเกิดความตั้งมั่นในจิตเกิดนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมมีตนเองเป็นสักขีพยานแล้วที่บอกว่ารักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งรักอื่นเสมอ้วยตนไม่มีเรารักตนเอง ฉะนั้นเราจะปรารถนาสิ่งดีๆต้องการมอบสิ่งดีๆให้กับตนเองเราเอากายนี้ไปให้ทานเอากายนี้ไปรักษาศีลเอากายนี้ไปบำเพ็ญประโยชน์เราก็โอ้เราจะต่อไปเราจะให้ด้วยเมตตาในยามที่หมู่สัตว์ทั้งหลายปกติเราจะให้จะสละจะแบ่งปันด้วยเมตตาในยามที่หมู่สัตว์ทั้งหลายประสบปัญหาชีวิต ตกทุกข์แต่ยากเราจะให้ด้วยกรุณาด้วยความสงสารจะปลดเปลื้องความทุกข์เขาในยามที่หมูสัตทั้งหลายได้ดีมีสุขเราจะให้ด้วยมุทิตาพรอยินดีและชื่นชมทางวาจาก็เหมือนกันด้วยความรักปรารถนาดีเกิดขึ้นในในในกระแสะชีวิตเราได้จริงๆเราต้องการให้วาจายามปกติเราจะใช้คำพูดไปพูดกับเขาด้วยเมตตาให้เมตตาเป็นตัวขับเคลื่อน ในยามที่หมู่สัตว์ทั้งหลายประสบปัญหาชีวิตเราจะพูดให้ข้อมูลความคิดเขาให้เขาออกจากความทุกข์ออกจากปัญหาในยามที่เขาได้ดีมีสุขเราจะพูดให้กำลังใจเขาให้มีพัฒนาความดีให้ไปบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปและในขณะเดียวกันเราจะใช้แรงกายใช้ศักยภาพใช้ความสามารถไปบำเพ็ญประโยชน์กับหมูสัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาในยามที่หมู่สัตว์ปกติและจะขวนขวายช่วยเหลือด้วยกรุณาในยามที่สัตว์ทั้งหลายประสบปัญหาชีวิต และจะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยมุทิตาไปส่งเสริมในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเราจะไปร่วมร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เขาพัฒนาไปบุญพิญโญภาพยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปอันนี้มันก็เลยออกได้จริงเห็นไหมว่าจากเมตตาตนเองที่เกิดขึ้นได้จริงพากออกมาเป็นอันจริยาเออพากออกมาเป็นเป็นสัญญาวัตถุก็คือเป็นหลักของการยึดโยงเชื่อมประสานก็แปลว่า ทานก็คือการเอื้อเพื่อแบ่งปันให้ด้ยเมตตายัางไงให้ด้ยกรุณาให้ด้วยมุทิตาทางปิยาวาจาคํ า, าพูดก็คือทำไมเบ็ดตัดมันจะขั้นไม่ต้องไปตัดหรอกไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นพราะยานันเพราะบรรยายมันคงจะขึ้นสลายมันกด้วันที่ตัดสายไปเลย ฉะนั้นในกรณีที่ท้าท่านทั้งหลายเนี่ยกรณีที่เราทําเมตตาให้เกิดขึ้นได้ในตนเองแล้วเนี่ยการที่จะแผ่ไม่ตีจิตไปให้กับคนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ยากแล้วเพราะเมตตาเกิดขึ้นกับตนเองได้จริงๆฉะนั้นเมื่อเมตตาเกิดขึ้นได้กับตนเองจริงๆแล้วเนี่ยตัวเมตตาจิตเนี่ยจะสามารถขับเคลื่อนไปให้กับคนอื่นได้ไม้ทางใจที่เรียกว่ามโนกรรม มนโนกรรมก็คือทางด้านจิตใจที่เป็นไปกับความรากักความปรารถนาดีความเบื่อทอนแผ่ไปให้กับบุคคลที่เราเคารพบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราเป็นกลางๆหรือบุคคลที่เป็นคู่เวรเป็นต้นไอ้ตรงนั้นเน่เป็นกระบวนการในการที่จะฝึกผนพัฒนาแต่ในชีวิตจริงๆของเราที่เราจะประกอบเมื่อเมตตาเกิดขึ้นแล้วจะทาให้สังางหาวัตถุกเกิดด้จริงอันนั้นก็ว่ากันอีกทีแต่ประเด็นคืออย่างนี้ อันนี้ต้องการชี้เห็นว่านี่นี่คือทําเมตตาให้เกิดขึ้นในตนแล้วก็สามารถแผ่ไม่ตีจิตหรือกระทําออกไปด้วยเมตตาพูดด้วยเมตตาหรือคิดกับหมู่สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาแล้วกรุณาล่ะเวลาเราจะกรุณาหมู่สัตว์ทั้งหลายเราจะทํำยังไงใช่ไหมจะให้กรุณาจิตเกิดขึ้นคําว่าการุณาเนี่ยก็แปลว่านิ่งดูดายจิตวันไหวนิ่งดูดายไม่ได้เมื่อเจอเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ประสบปัญหาประสบความทุกข์ความเดือดร้อน การที่จะทําให้กรุณาจิตเกิดได้เนี่ยต้องย้อนกลับมาดูตนเองให้เป็นนะยอมเคยกรุณาตนเองไหมบางคนว่าเอ๊ะเราก็อยู่ดีมีสุขเราจะไปกรุณาตนเองได้อย่างไรฉะนั้นการที่จะทําให้กรุณาจิตเนี่ยจิตใจหวั่นไหวทนดูทนไม่ได้เนี่ยต้องการขวนขวายอยากจะปลดเปลื้องความทุกข์เนี่ยให้กับตนเองเนี่ยและตนเองมีความทุกข์อะไรยอรู้ไหมพวกเราเรามีความทุกข์อะไรหนึ่งชาติทุกข์ทุกข์คือความเกิด ชาลาทุกทุกคือความแก่พยาที่ทุกทุกคือความเจ็บไข้มระทุกคือทุกคือความตายแล้วเราเนี่ยก็ประสบความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลาเลยฉะนั้นกรณีที่เราจะต้องเปลี่ยนียาบทต้องกินอาหารต้องพักผรต้องยืนต้องเดินต้องนั่ ง, งชีวิตของเราก็เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอสิ่งที่ขัดขวางเสียดแทงตลอดเวลานะนี่คือปัญหาชีวิต เออพอคิดอย่างนี้กกรุณาตนเองนะฉะนั้นการที่กรุณาตนเองว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นจากความเกิดทำอย่างไรหนอเราจะพ้นจากความแก่ความเก็บและความตายเป็นต้นก็เริ่มกรุณาตนเองเป็นเพราะกรุณาก็ปรารถนาให้ตนเองเนี่ยพ้นทุกข์ต้องการให้ตนเองเนี่ยเข้าถึงความสุขจิตก็วันไหวคาว่าวันไหวในที่นั้นไม่ใช่ทุกใจนะไม่นิ่งดูดายขวนขวายในการที่จะ ปดเปื้องความทุกมีชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาทุกข์มรณะทุกข์และความทุกข์จากการที่ตนเองทุกข์เพราะไม่รู้เนี่ยถ้าเรามองถึงว่าเราในประสบความทุกข์นเช่นไอ้สุขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมสุเราได้สุขเวทนาแต่สุขเวทนาไม่เคยมั่นคงเลยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเานั่นคือความความทุกข์เนะไอ้ทุกขเวทนาเป็นทุกขเพราะเพราะตั้งอยู่ อุเบกขาเวนาก็เป็นทุกข์เพราะไม่รู้อยู่แล้วสรุปก็คือเอเวทนาสามที่เบียดเบียนกระแสชีวิตที่เ ป, เ, ปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมันก็เบียดเบียนบีบคั้นกระแสชีวิตนี้อยู่สรุปแล้วก็คือว่าชีวิตนี้ประสบความทุกข์ตลอดเมื่อเห็นความจริงอย่างนี้แล้วก็กรุณาในตนเองก็ตั้งอัธยาศัยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราไม่ปรารถนาทุกขเราไม่ชอบทุกขเราปรารถนาจะออกจากทุกข ฉะนั้นเราจะแบบทำให้กระแสชีวิตนี่ตั้งมั่นในศีลให้แข็งแรงให้มั่นคงไม่ว่าจะเป็นปาฏิโมกข์สังวรศีลทํากุศลศีลให้เกิดขึ้นให้ติดต่อและต่อเนื่องจะไม่ทําพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้กระจัดกระจายให้เกลื่อนกลดหรือให้พกพ่านไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลทําให้กายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดอาชีพให้บริสุทธิ์เพราะเราลักตัวเองเราจะมีความระอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป แล้วเราจะมีความเชื่อมั่นที่จะผลักดันในกุศลศีลเกิดขึ้นในตนได้จริงๆจากตนไม่มีศีลจะทําตนเองให้ไม่มีศีลตนไม่มีศรัทธาจะทําให้ตนเองมีศรัทธาตนไม่มีความเกล้ากล้าอัตถานจะทําให้ตนเองมีความเกล้ากล้าอัตถานตนไม่มีสติจะทําตนให้มีสติตนไม่มีสมาธิจะทำตนให้มีสมาธิตอนไม่มีปัญญาจะผลักดันให้ตนเองให้เกิดปัญญานี้เป็นความรักตนเองเกิดขึ้นมาเพราะกรุณาตนเองนี่แหละ ทีนี้พอกรุณาตนเองอย่างนี้แล้วเนี่ยประเด็นก็เลยบอกว่าเอาละเวลมองสัตว์อื่นทั้งหลายเนี่ยมันน่าการุณาได้ไม่ยากเลยถึงแม้เราจะเห็นคนจนคนรวยก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นว่าเขาทุกข์จริงแล้วก็จะปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เห็นเขาทุกข์แล้วใจก็วันไหวทนนิ่งเฉยไม่ได้ค้นควายในการที่จะช่วยเหลืออันดับแรกที่ช่วยเหลือได้มากที่สุดคืออะไร ก็คือการคิดให้เขามีความสุขคิดให้ขเขาพ้นจากชาติทุกขชราทุกพยาทิทุกขหรือถ้าเขาเผชิญปัญหาเช่นเขาไม่มีอาหาร üyorsun, 2019, timeline, mm hmm. ปราถ น, นาไห mm. นเขามีอาหารเขาไม่มีเครื่องดูงผมปราถนาไหนเขามีเครื่องนุ่งผมเขาเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยปรารถนาไหนเขามีเครื่องที่อยู่อาศัยเขาไม่มียาปรารถนาไหนเขามียาเนี่ยการคิดการปรารถนาทางใจอย่างนี้แปลว่าใจหวั่นไหวใจน่ะหวั่นไหวนิ่งดูดายไม่ได้ทนนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องอย่างน้อยที่สุดก็คิดดีก่เขาปรารถนาดีกับเขาขอให้เขาได้ดีมีสุขเพราะเราไม่สามารถจะเป็นคนขวายทางกายทางวาจาเป็นต uh uh ้นได้ถ้าไม่มีของจะไปให้เขาไม่สามารถบําเพ็ญทานให้แก่เขาได้ก็ทางใจยังไงให้เข้าไปถ้าไม่สามารถที่จะพูดปอบโรนให้เขาได้ก็ทางใจนี่แหละมอบให้เข้าไปถ้าไม่สามารถไปบําเพ็ญประโยชน์กับเขาได้ทางใจเนี่ยแค่คิดปรารถนาให้เขาพ้นทุกเนี่ยทำได้ไหม บางคนเนี่ยไม่ได้ใจมันแห้งแรงเหมือนเหมือนฤดูแรงในภาคอีสานมันไม่มีกรุณาในใจเลยใจไม่เคยหวั่นไหวไม่สะเทือนสะทานอะไรเลยเนี่ยแต่อย่าลืมนะกรุณาต้องไม่โท ม, มนัสนะถ้าคิดไปคิดมาแล้วร้องไห้เสียใจอันนี้แปลว่าเป็นกรุณาเทียมไม่ใช่กรุณาแท้เพราะการุณาต้องต้องกาจัดความคิดเบียดเบียน การคิดเบียดเบียนเขาเนี่ยเห่นไหมกรุณาตรงข้ามกับการคิดเบียดเบียนการคิดให้เขาประสบได้ดีมีสุขอย่งนี้เป็นตน้นนี่นี่คือกรุณาเห็นไหมโยมต้องฝึกในการที่คิดให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะอย่างที่บอกไว้ว่าตัวเมตตาเนี่ยค่าสึกใกล้ของเมตตาคือตัณหาราคะความกำหนัดความยินดีค่าสึกไกลก็คือโทสะเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเมตตาเกิดขึ้นจะมีเมตตาจะมีทั้งค่าสึกใกล้และค่าสึกไกล ทำไมราคาจึงเป็นค่าสึกใกล้ยองรู้ไหมเมตตาความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนเนี่ยมันใกล้แต่ราคามากนะรูปสุดท้ายที่ให้ไปนั่นแหละในรูปสุดท้ายที่ให้ไปยอมดูในรูปก็ได้ฉะนั้นตัวเมตตาเนี่ยมันใกล้แต่ราคาเวลาคนอยากจะเมตตารักใครสักคนเขาจึงห้ามอะว่าเบื้องต้นจริงๆเนี่ะถ้ายังไม่แข็งแรงจริงๆไปแผ่เมตตาให้กับ เพศตรงกันข้ามเนี่ยแพ่ไปแผ่มากลายเป็นราคะเพราะมันใกล้ชิดกันมากนั่นเป็นค่าสึกใกล้ชิดมันมาใกล้ตัวเลยนะนั่นต้องพึงระวังเหมือนเรารักลูกเนี่ยรักลูกรักพ่อรักแม่รักสามีภรรยาเนี่ยรักไปรักมามันไม่ใช่เมตตาแล้วแตเขาเป็นกายึดมั่นถือมั่นและเป็นราคะความกหนัดยินดีมันมันเป็นค่าสึกใกล้ส่วนโทสะเนี่ยมันเป็นค่าสึกไกลมันเห็นกันได้ชัด ระหว่างรักปรารถนาดีเอื้อทอนกับโทสะความโกรธความเครียดเนี่ยโอ้โหตรงกันข้ามมากให้แต่สังเกตด้วยนะถ้าโยมทำเมตตาให้เกิดขึ้นในใจไม่ได้โทสะดูตรงสภาพใจถ้าโทสะสงบราบคาบความอาฆาตความพยาบาทความหงุดหงิดสงบราบคาบใจเย็นใจเบ า, ใ จ, เบา ใ, จใจโปรง่งใจโล่งแสดงให้เหน็นว่าโยมเดินเมตตาได้และเมตตาเกิดขึ้นมาได้ทีนี้ บางคนเนี่ยพอเมตตาเกิดได้ปุ๊บก็โอ้โหดีใจดีใจเหลือเกินเราไ ด, แได้แล้วได้เมตตาแล้วแล้วก็ประมาทต่ออย่างนี้ไม่ได้ถ้าทําเมตตาให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องให้อาหารของเมตตาวิธีให้อาหารของเมตตาก็คือความเป็นผู้ฉลาดคิดคิดให้ถูกทางคิดให้ถูกวิธีคิดให้ถูกอุบายฉลาดคิดคือตัวไหนนั่นแหละไปอิงอาศัยความใจรักที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นไม่พอต้องมีตัวอัพยาปาทสังกปะคิด ออกจากเมตตาคิดเอ่อขอไปคิดออกจากพยาบาทคิดออกจากโทสะคิดให้เมตตาเกิดขึ้นการคิดให้เมตตาเกิดขึ้นก็คือมองจุดดีของตนเองก็เมตตาตนเองมองเห็นจุดเด่นจุดดีของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เราไปเกี่ยวข้องกระทาให้เมตตาเกิดขึ้นแล้วก็ระลึกบ่อยๆมนาสิ ก, การบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆในความดีงามของหมู่สัตว์แล้วก็ปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นมีความสุขปราศจากความทุกข์มีใจิตใจเบิกบาน เหมือนให้พรเขาให้ศีลให้พรเขาในใจนั่นแหละแล้วก็ผักให้เมตตาเกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องเรื่อยๆจนสามารถทําเมตตาเกิดขึ้นจนชนํชนานิชํานาญและตั้งมั่นได้อันนี้แปลว่าสังเกตตรงไหนสังเกตว่าโทสะเนี่ยราบโทสะหายกเกลี้ยงเลยแปลว่าสําเร็จผลแล้วแต่ภารกิจของเรายังไม่เสร็จนะเมื่อกี้พูดเรื่องกรุณาให้สังเกต ด, ดูกรุณาเนี่ยข้าศึกใกล้ของกรุณาคือโทมานัทําไมจึงเรียกว่าข้าศึกใกล้ เช่นเวลาเราการุณาพ่อกรุณาแม่ที่ป่วยกรุณาพ่อแต่ป่วยแม่ที่ป่วยลูกที่ป่วยเป็นต้นหรือเพื่อนป่วยพอกรุณาแล้วจิตเราหวั่นไหวทนนิ่งดูดูดูไไม่ได้ก็ค้นขวายช่วยเหลือพอช่วยไม่ได้ความป่วยของเขาสุดลงแย่ลงแย่ล ง, แยลงโทมนัสเสียใจย่าเงี้ยเห็นไหมมันเป็นมันจึงเป็นค่าสึกใกล้ฉะนั้นกรุณามันใกล้ต่อโทมนัสใกล้ต่อความเสียใจที่เราช่วยเขาไม่ได้ เราไม่ดีพอเราน่าจะช่วยให้ได้ดีกว่านี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่กรุณาเนี่ยพึงต้องกันโทมานั์มันใกล้คิดกับตัวโทมานต์แล้วอะไรเป็นค่าสึกไกลวิหิงสาจิตที่คิดเบียดเบียนไอ้จิตที่คิดเบียดเบียนทั้งหลายอยู่ในตระกูลกับโทสานี่แหละฉะนั้นถ้ากรุณาเกิดขึ้นจริงๆการขวนขวายช่วยเหลือคนอื่นเกิดได้จริงๆไอ้จิตที่คิดเบียดเบี ย, ย, ยนค่อยๆสงบราบคาบในที่สุดจริงก็หมดบทบาท ฉันกรุณาตนเองกรุณาคนอื่นถ้าทําให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องโดยการคิดถูกทางคิดถูกวิธีถูกอุบายทั้งหลายแล้วก็ให้ให้กรุณานั้นตั้งมั่นในใจให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องส่วนการกระทําออกมาในการที่จะเป็นการให้ด้ยวยกรุณาการพูดด้วยกรุณาการทําประโยชน์ด้วยกรุณาอันนั้นก็ไปฝึกเพื่อให้เกิดให้ให้เกิดขึ้นเป็นเนื้อเป็นตัวให้ได้ถ้าทําได้อย่างนี้แปลว่ายอมประสบความสําเร็จแล้วแปลว่าไม่ใช่ฝึกก ร, รุณาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราว ทำให้เกิดความกรุณานั้นเกิดขึ้นได้อย่างติดต่อและหนานแน่นและสามารถเป็นไปได้กับทุกบุคคลนะอย่าลืมหนึ่งตนเองก็ได้สองบุคคลนั้นที่เราเคารพก็ได้สมบุคคลที่เรารักก็ได้สี่บุคคลที่เราเป็นกลางกลางก็ได้ห้าแม้ศัตรูเราก็กรุณาได้อย่างนี้เป็นตน้นอันนั้นเป็นขั้นตอนในการที่จะไปฝึกเรามีภารกิจในการที่ต้องฝึกมีภารกิจที่ต้องฝึกให้ติดต่อและต่อเนื่องฉะนั้นไม่ใช่ อยู่เฉยๆโดยไม่ได้ทําอะไรต้องต้องระวังนะว่าเนี่ยกระบวนการการเจริญกุศลต้องผักตัวกุศลให้เกิดขึ้นมาได้จริงๆเราไม่ได้เป็นการเจริญพงศิหารตามรูปแบบแต่เราต้องการทําให้เกิดขึ้นให้ได้จริงในกระแสชีวิตจริงๆฉะนั้นต้องมีใจรักภาคเพียรทำจิตจดจ่อแล้วก็ปัญญาตรวจตาสอบสวนมีสัมมาสังกัปปะเนี่ยมาคอยเกื้อนหนุนโดยเฉพาะการคิดออกจากพยาบาทเข้าถึงเมตตาเข้าถึงกรุณาให้เกิดขึ้น แล้วก็เข้าถึงการไม่คิดเบียดเบียนเป็นตัวเหล่านี้ประการต่อมาคือมุทิตายอมสักแก่ ด, ด้นะในออชา้าที่ให้ไปเนี่ยมุทิตาเนี่ยเขาใกล้กับสมนัตคข้าศึกใกล้ของเขาบางคนพอ ย, ยินดียกตัวอย่างเช่นลูกเรียนจบหรือว่าพ่อแม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพื่อนประสบความสำเร็จในชีวิตพ่อพี่ป้าน้าอาประสบความสาเร็จอุ้ยตื่นเต้น สมนัติเขาเรียกว่าเพราะคิดว่าเราได้ประโยชน์ด้วยเรามีส่วนด้วยไอตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่มุทิตาแท้กลายเป็นมุทิตาเทียมมันมีมันมีสมนัตดีใจกลายเป็นลาคะกลายเป็นลาคะกลายเป็นความชื่นชมยินดีเพราะว่าเพราะลูกเราเรียนจบเราเลยได้หน้าได้ตาไปกับลูกด้วย พอแม่เราได้ประสบความสําเร็จในชีวิตเราเลยได้หน้าได้ตาไปด้วยมันก็เลยมีอัตตาตัวต น, นกน็เป็นแก่น เ, ป, เป็นแกนก็ไปเล่าเล่าเล่าเราเป็นผู้ได้ด้วยมันก็เลยมุทิตาไม่เจริญแต่ถ้ามุทิตาแท้เนี่ยให้สังเกตดูนะว่าค่าศึกไกลของมุทิตาได้แก่ริษยาเห็นคนอื่นได้ดีทนไม่ได้ให้สังเกตดูนะว่าไอ้ตัวมุทิตาแท้เนี่ยถ้าลูกได้ดีเนี่ยไม่ริษยา มันจะกลายเป็นสมณัตเกินเหตุแล้วก็ตื่นเต้นเพราะเราได้ดีด้วยถ้าสามีได้ดีภรรยาได้ดีเพื่อนได้ดีพ่อแม่ได้ดีเนี่ยบุคคลบริวารญาติมิตรทั้งหลายได้ดีมีสุขโอ้ยมุทิตาเกินเกียรตเพราะเราเป็นกายเป็นสมณัตไปที่เป็นไปกระลาคะไปเพราะมีเราเป็นผู้ได้ผลประโยชน์นั้นด้วยอันนี้เป็นมุทิตาเทียมไม่ใช่มุทิตาแท้ และเป็นค่าสึกใกล้ของมุทิตามุทิตาจะไม่เจริญนะบุคคลประเภทนี้ใจจะไม่ดื่มดำจะไม่เปิดกว้างจะไม่เป็นอิสระฉะนั้นต้องระวังในตัวมุทิตาเทียมและอย่างหนึ่งก็คือว่าสังเกตว่าถ้ามุทิตาเกิดได้จริงมุทิตาตั้งมั่นจริงต้องรทธิ์เสยาหายไปเช่นเวลาเราเจอคนที่เราเฉยๆเขาประสบความสาเร็จในชีวิตบางคนก็เฮ้ยเราไม่ยุ่งด้วยไม่เกี่ยว ยิ่งหนักไปกว่า น, นั้นก็คือคนที่เป็นศัตรูคนที่เป็นคู่เวรกันคนที่เราไม่ชอบกีหนาหรือเขาไม่ชอบเราเราไม่ชอบเขาเขาได้ดีมีสุขโอ้โหเราใจเราเนี่ยมุทิตาไม่ได้เันมทีกรณีอย่างนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่ามุทิตาของเราไม่เกิดจริงถ้ามุทิตาของบุคคลที่แข็งแรงจริงหนึ่งพอ ย, ยินดีกับตนเองเป็นอพอยยินดีกับตนเองต อ, ต, อตอนไหนถ้าตนเองมั่นคงในกุศลประสบความสําเร็จทั้งทางโลกทางธรรมอะไรก็แล้วแต่ แล้วตนเองพัฒนาสีทานกุศลสีนกุศลภาวนากุศลของตนเองนี่เจริญภัยบุญปิญโยภาพ <c oughs> ก็ดินดีพอใจตนเองมิมุติตาพอยินดีกับตนเองแล้วก็สนับส่งหนุงส่งเสริมแล้วเราก็สามารถที่เป็นมุติตากับคนอื่นได้ด้วยเช่นคนที่เราเคารพประสบความสําเร็จแล้วก็ทําเหมือนเรามุติตาตนเองได้ด้วยพอยินดีกับคนที่เราเคารพหรือคนอันเป็นที่รักประสบความสําเร็จ แล้วก็พ อ, อยินดีอนุโมทนากับเขาทางด้านจิตใจทั้งด้านการกระทําคําพูดได้ด้วยและคนที่เฉยเฉยคนที่เป็นกลางๆกับเราเราก็สามารถมุทิตาได้เท่ากับพ อ, อยินดีกับตัวเองประสบความสําเร็จหรือคนที่เป็นที่รักหรือเคารพแต่รอถึงศัตรูประสบความสําเร็จหรือคนที่เป็นคู่เวรกับเราเนี่ยอันนี้ยากหน่อยการที่เราจะไปพอยินดีกับศัตรูหรือคนที่เป็นคู่เวเรได้แปลว่าคุณประสบความสําเร็จในการเดิน ม, มุทิตาแล้วถ้าทําได้จริงๆ เป็นภารกิจเป็นภันธกิจที่คุณต้องทำนะถ้าไม่ทําแปลว่าพรหมวิหารอยู่ในกระดาษพรหมวิหารอยู่ในตัวหนังสือพรหมวิหารอยู่ในอากาศไม่สามารถดึงหรือว่าเชื่อมโยงให้พรหมวิหารมีเมตตากรุณาเมตตาเป็นต้นให้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตได้จริงก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาก็ถึงคุณธรรมในพรหมวิหารเป็นต้นได้ฉะนั้นจึงยากแต่มันท้าทายท้าทายที่ควรทํา นี่ก็เลยฝากให้โยมทั้งหลายเนี่ยต้องเอาไปฝึกกันให้เป็นการบ้านนะให้เป็นการบ้านเอาไปทำแล้วต่อไปใครทำได้แล้วเนี่ยอาจจะให้พระท่านสอบถามรายละเอียดหรือว่าถ้ามีอะไรก็ให้สอบถามกันถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมะกันอย่างนี้จริงๆเนี่ยแปลว่าพัฒนาแ น, น่นอนเราอยากจะสร้างกลุ่มชนเล็กๆ เ, เนี่ยไม่ต้องมากนี่แหละกลุ่มไม่กี่คนที่ฟังนี่แหละให้เป็นกลุ่นเป็นบุคคลต้นแบบกลุ่มชนต้นแบบ เป็นกลุ่มชนที่เดินพลมิหารได้จริงเมื่อเดินได้จริงแล้วเราจะประกาศตัวเองออกมาว่าเราแข็งแรงแล้วเมตตาแข็งแรงกรุณาเมตตาและจนถึงอุเวขาได้แข็งแรงแล้วสามารถเข้าถึงความสุขกับเมตตากรุณาเมตตาอุเวขาแล้วสามารถจัดการค่าศึกใกล้ค่าศึกไกลได้จริงแล้วชีวิตก็ปลอดโปร่งโล่งเบาและเป็นอิสระจากกิเลสได้จริงแล้วเราก็จะได้พัฒนาขึ้นสื่อคุณธรรมระดับปัญญาที่ชิงลึกอีกต่อไป เรายังมีภารกิจร่วมกันอีกไม่ใช่แค่นี้นะเรายังมีภารกิจที่จะต้องทํากิเลสและกองทุกข์ให้หมดสิ้นจากกระแส ช, ชีวิตฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงเบื้องต้นหรือเริ่มต้นในการประพฤติ์ธรรมเท่านั้นเองอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายนะว่าเราต้องทํากันให้ได้จริงๆไม่ใช่มาเรียนศึกษาเอาแค่เฮ้เรารู้แล้วเรารู้แล้วแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เป็นอยู่เนี้ยชีวิตเราเป็นมาจนขนาดนี้บางคนก็หลายขวบแล้ว 30ขบขวบสีบ่สบขวบห้าิบขวบหกสิบขวบบางคนจะขึ้นเจสิบขวบแล้วเนี่ยเห็นไหมชีวิตของพวกเราเนี่ยบางคนแม้ถ้าพูดกันเจาะเชิงหรือก็น่าอายเด็กนะบางคนประกาศตนเองจ่ามาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่พอเอาเพอวิหารไปตรวจสอบปุ๊บสอบตกกันเป็นแถวเลยเนี่ยไม่เกิดได้จริงอัน น, นี้น่าคิดมากฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะไม่ใช่แค่นั่งฟังธรรมดาแต่เราจะาไปฝึกแล้วจะทาให้ได้จริง และเราจะทําการบ้านด้วยมีการตรวจสอบกันจริงๆว่ามีการวัดผลมีการตรวจสอบถามว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ทําได้จริงไมไ่เกิดได้จริงให้สังเกตดูนะมันล้มเหลวอ่ะบางทีเป็นนักปฏิบัติรรมแต่สุดโต่งเนี้ยล้มเหลวเนี้ยล้มเหลวไม่สามารถที่จะเดินพลมวิหารได้จริงในชีวิตแล้วบอกว่าเนี้ยตรงเนี้ยนั่นเราต้องทําให้ได้อาภิการสุดท้ายคือเรื่องโมหะเออเขอาไปอุเบกขา ให้สังเกตดูนะ อ, อุเบกขาเนี่ยอะไรเป็นค่าศึกอุเบกขาการวางใจเป็นกลางคาว่าวางเฉยเนี่ยเฉยในที่นี้นะวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกที่รักผักที่ชังทั้งหลายนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยในอันที่จะรักษาธรรมะความถูกต้องดีงามเป็นต้ในให้เกิดขึ้นให้สังเกตดูนะยอมสังเกตดูแนละอุเบกขาเนี่ยมีโมหะเป็นค่าศึกใกล้ เขาเรียกว่าอัญญานุเปขาโยมเคยได้ยินคำนี้อัญญานุเปขาแปลตรงตัวเขาเรียกว่าเฉยโง่เฉยโง Lyn ่เฉยไม่รู้เรื่อง Lyn. ฉะนั้นการเฉยแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยต้องระวังไว้นะเฉะยแบบไม่แยกแย่เหตุผลเฉยแบบปัญญาไม่เกิดขึ้นเขาเรียก ว, ว่าเฉายเมยเฉยเมยก็ได้เฉยมึนก็ได้ ฉะนั้นถ้าอาการเฉยเมยและเฉยมินเกิดขึ้นมานี่บ่งบอกให้รู้ได้ว่าเป็นโมหะเป็นอัญญานุเปขาอันนี้ไม่ใช่อุเบกขาที่พึงประสงค์ในพรหมวิหารแต่อุเบกขาที่พึงประสงค์ในอุเบกขาพรหมวิหารเนี่ยก็คือการวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายให้สังเกต ด, ดูนะอุเบกขาก็จะมีมัชช ต, ตะสัตว่บัญญัติเป็นอารมณ์ก็คือสัตว์มีสัตว์ที่เป็นกลางทั้งหลายเหล่านี้มีความเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลาย ตรงนี้มันยากตรงไหนนีมันยากตรงที่ว่าต้องกําจัดอภิชฌาเพราะขั้นศึกไกรของโมหะเนี่ยข อ, ของอุเบกขาเนี่ยคืออภิชฌาความยินดีโทอมนัสความยินร้ายกําจัดความยินดียินร้ายหรือข่มความยินดียินร้ายเป็นต้นถ้าพูดกันให้ชัดตรงไปก็คือกําจัดอคตินั่นแหละฉะนั้นตัวอุเบกขาเนี่ยการที่จะเจริญให้เกิดให้มีขึ้นเนี่ยนะต้องมีความเข้าใจในธรรมะ พอสมควรที่ได้พูดมากที่สุดก็คือว่าตัวอุเบกขาเราจะทํำยังไงให้เกิดขึ้นบางคนเนี่ยเมตตากรุณามุ้ิตาถ้ายัางเจริญไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องอุเบกขาถ้ายัางฝึกเมตตากรุณามุ้ิตาไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอเบกขาถ้ายัางไม่สามารถทําเมตตากรุณามุ้ิตาให้คล่องแคล่วว่องไวแล้วเนี่ยไปเดินอุเบกขาไม่ได้ถ้าเราดูระดับชาตนะ ให้สังเกตดูเถระดับฌานเนี่ยอุเบกขาไปอยู่ในฌานที่4ไปอยู่ในจตุทชาฌานฌานที่4แปลว่าคนที่จะเจริญอุเบกขาพรหมิหารระดับฌานสมาบัติแปลว่าคุณจะต้องได้เมตตาฌานมากรุณาฌานมุติตาฌานเดินเมตตาฌานกรุณาฌานมุติตาฌานจนได้ถึงตติยะฌานเป็นต้นแล้วเห็นไหมเมื่อเดินจนถึงได้ฌานระดับสูงแล้วเนี่ยจึงจะสามารถไปต่อยอดเจริญอุเบกขา ชาญให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงก็เหมือนกันในชีวิตจริงถ้าไม่สามารถเจริญเมตตากรุณาเมตตาให้คล่องแคล่วว่องไวให้จนชำนิชำนาญแล้วเนี่ยอุเบกขาจะเดินยังไงเพราะว่าเมตตาเนี่ยมีสัตว์อันเป็นที่รักเป็นอารมณ์มีปิยามานาสัตว์บัญญัติเป็นอารมณ์กรุณาก็มีสัตว์ที่กระประสบความทุกข์เรียกทุกขิจสัตว์เป็นอารมณ์หรือ ท, ท, ที่ที่เกี่ยวข้อง มูทิตาก็มีสุกิตาศาสต ร, ตร์สัตว์ที่ประสบความสุขเป็นอารมณ์ส่วนอุเบกขาเนี่ยมีสัตว์ที่เป็นกลางกลางคำว่ากลางๆงในที่นี้ก็แปลว่ามีปัญญาในอันที่จะไประลึกหรือไปพิจารณาเห็นนะมีปัญญาในอันที่จะไประลึกในการที่จะไปเห็นว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้ดีตกยากทั้งหลายได้รับสุขได้รับทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็เพราะกรรม คือหมูสัตว์นั้นทำเองเนะฉะนั้นตรงนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวอุเบกขาแล้วเนี่ยจึงเป็นการวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นตรงนี้ถามว่าไอ้ตัวอุเบกขาเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวอุเบกขาเนี่ยในอันที่จะไปพิจารณาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนเอง สัตว์ทำกายทุสจริทวจีทุจริทธมโนทุจริทธสัตว์ก็ต้องประสบปัญหาชีวิตเองสัตว์ที่ประกอบด้วยกายสยสุจริทธวจีสุจริทมโนสุจริทธสัตว์นั้นก็ประสบความสุขความความความเจริญเองฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายจะได้ดีตกยากทั้งหลายเพราะกรรมคือการกระทําของหมู่สัตว์นั้นนั้นแต่ทีนี้ในกระแสชีวิตที่เป็นสังคมเนี่ยกระแสชีวิตก็ต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกาที่ที่จะต้องตั้งกันเข้าไว้ เมื่อมีกฎเกณฑ์มีกติกาตั้งกันไว้แล้วเนี่ยเพื่อจะเป็นได้ข้อปฏิบัติในสังคมนั้นๆถ้าหากมีใครไปล่วงละเมิดกฎเกณฑ์กติกาสังคมการที่เขาร่วงละเมิดกฎเกณฑ์กติกาสังคมเขาก็จะต้องถูกกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนั้ น, นลงโทษแล้วก็จัดการเราจะไปขัดขวางกฎเกณฑ์กติกาแล้นั้นมันจะเสียคำว่าอุเบกขาทันทีเสียการเป็นกลางทันที ฉะนั้นอุเบกขานั้นจึงขับเน้นที่ตัวปัญญามีความรู้มีความเข้าใจอย่า ง, อางทองแท้จึงจะสามารถทำให้ตัวอุเบกขาเกิดขึ้นมาได้เพราะในอันที่จะยังตนเองให้เที่ยงตรงเที่ยงธรรมดุดตาโชูเนี่ยก็แปลว่าไม่เอ็เอียงไม่เอ็งเอียงในการเลือกที่รักผักที่ชังทั้งหลายเหล่านี้ต้องสามารถกําจัดความยินดีและความชอบใจและไม่ชอบใจเป็นต้นให้ได้ความยินดียินร้ายเป็นต้นได้ ต้องสามารถขจัดอคติในใจได้ต้องเป็นผู้ที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมจริงๆ จ, ง จ, งจึงจะสามารถเดินพรหมวิหารระดับอุเบกขาเป็นต้นได้ทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วว่าเอาชี้ให้เห็นอีกทีเอเมตาความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนใช้ในสถานการณ์ปกติกรุณาความสงสารคิดจะช่วยพ้นทุกข์ใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาลงมุติตาความพรอยยินดีเมื่อคนอื่นประสบ ได้ดีมีสุขก็ใช้ในสถานการณ์ผิดปกติขาขึ้นส่วนอุเบกขาความวางใจเป็นกลางเนี่ยใช้ในสถานการณ์ที่จะรักษากฎเกณฑ์รักษากติการักษาธรรมะความดีงามเป็นต้นที่เกิดขึ้นที่ยึดยงนิดหนึ่งว่าถามว่าแล้วพรหมวิหารสี่เกี่ยวข้องอะไรกับเกี่ยวข้องอะไรกับสัมมาสังกัปปะพรหมวิหารสี่เกี่ยวข้องอะไรกับสัมมาสังกัปปะคือความคิดทีด่ความดําริชอบที่เป็นหนึ่งในองค์มรรค สัมมาสังกปรานี่เป็นกลุ่มของปัญญาสิกขานะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นในอริยสัจสสัมมาสังกปราความดําริที่ถูกต้องคือดัมเบลออกจากกามดําริออกจากพยาบาทดัมเบลออกจากการเบียดเบียนและเกี่ยวข้องอะไรก็คือว่าตัวสัมมาสังกปะานี่ความดําริออกจากกามการดําริในการที่จะออกจากกามออกจากคือไร้กาม ดัมเบิออกจากการที่จากการที่ไปหมกมุ่นในรูปที่สวยๆเสียงที่พะเพาะกลิ่นหอมหอมรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆไอความดัมเบลในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นเนคขมะ ส, สังกปะทีนี้เนคขมะ ส, สังกปะจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นผู้ฉลาดคิดนะถึงจะดําเบลิออกได้เขาจึงมีโยนิโสมนุสสิการไปคิดเห็นตามความเป็นจริงนะ ฉะนั้นในรูปที่สามที่ส่งให้ไปเนี่ยนะยมก็จะเห็นชัดว่าเนี่ยไอตัวโยนิโสมนัิการเกิดร่วมกันกันกบสัมมาสังกัปปะความคิดไร้กามเนี่ยไร้กามความคิดปลอดจากกามความคิดที่โปร่งโล่งเบาไม่มีหมกมุ่นในกามะคุณในรูปที่สวยๆเสียงพพกินหอมๆรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆความดําริความคิดในลักษณะอย่างเนี้ทําให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาเมื่อจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาใจจึงเป็นสมาธิใจจึงสงบได้ง่าย เมื่อใจเป็นสมาธิใจจึงสงบได้ง่ายเนี่ยกระบวนการที่ความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ฉลาดคิดกระบวนการความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องกระบวนการความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวความคิดหรือดําริในการที่จะออกจากกามอย่างนี้เป็นต้นส่วนอัพยาปาทาสังกปานี่ความคิดที่ไร้พยาบาทหรือความคิดที่ออกจากพยาบาทอันนี้เป็นความคิดที่เป็นไปกับเมตตา ความคิดที่เป็นไปกับเมตตาด้วยและความคิดที่เป็นไปกับมุทิตาด้วยเนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นความรากักความปรารถนาดีเอื้อทอนที่เป็นเมตตาไม่ว่าจะพอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีที่เป็นมุทิตาอันนี้อยู่ในชุดของอพยาปาทะเนเป็นความคิดที่ไร้พยาบาทไร้การเบียดเบียนเป็นความคิดที่หวังดีปรารถนาดีในขณะที่คนอื่นได้ดีมีสุขอันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่ม อพยาบาทก็คือความคิดที่ไม่พยาบาทก็แปลว่าทําเมตตาเกิดขึ้นความคิดที่ทําให้อโศกสะคือความไม่โกรธเกิดขึ้นความคิดที่ทําให้ขันติคือความตั้งมั่นความอดทนเกิดขึ้นความคิดที่เป็นไปกับจิตที่โปร่งโร่งเบาทําเมตตาจิตให้เกิดขึ้นในยามที่หมู่สัตว์ปกติทำมุทิตายเกิดขึ้นในหมู่สัตว์ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมันจะเป็นไปลักษณะแบบนี้นะ ในในกรณีอย่างนี้เราจะได้เข้าใจนะว่าโอ้ความคิดที่อภยาบาศเนี่ยวิ่งไปหาเมตตาก็ได้วิ่งไปหามุทิตาก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเป็นความคิดที่มีตัวโยนิโสตัวสัมมาทิฏฐิมาร่วมผักดันด้วยนะมีฉันทะคือใจรักในการที่จะทําเมตตาทํามุทิตาเป็นต้นให้เกิดขึ้นด้วยนะแล้วเห็นโทษนะเห็นโทษของพยาบาทนะ เห็นโทษของโทสะด้วยนะเห็นโทษของจิตลิสยาที่คิดเบียดเบียนคนอื่นด้วยนะฉะนั้นการที่ไปเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แหละเราจึงพยายามที่ว่าไม่ได้แล้วเราไม่ได้ที่พึ่งแล้วเราจะต้องทําเมตตาให้เป็นที่พึ่งเราจะต้องทํามุทิตาให้เป็นที่พึ่งถ้าเราไม่มีเมตตาเป็นที่พึ่งเดี๋ยวพยาบาทก็มาประชุมในกระแสชีวิตของเราชีวิตเราเดือดร้อนถ้าเราไม่มีมุทิตาเป็นที่พึ่งเราจะมีจิตลิสยามากุมรวมจิตใจของเราเราก็จะเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยในลักษณะอย่างนี้เขาเรียก เป็นสัมมาสังกปะเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้ตัวจิตประเภทนี้จิตหรือสมาธิประเภทนี้อธิจิตเตะสิกขาเหล่านี้เกิดขึ้นพรหมวิหารเหล่านี้เกิดขึ้นอนะการต่อไปคืออวิหิงสาอาวิหิงสาก็แปลว่าการคิดที่ไม่เบียดเบียนคิดที่ไม่เบียดคิดที่เป็นไปกับกรุณาถ้าคิดเบียดเบียนก็แปลวิหิงสาคิดไร้การเบียดเบียนก็เรียกกรุณาใช่ไหมตรงกันข้ามฉะนั้น การที่จะทำให้การุณาเกิดขึ้นเขาเรียกอวิหิงสาทีนี้การกรุณามีความสงสารคิดจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์เมื่อไปเจอหมู่สัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์ความเดือดร้อนตนเองทั้งหลายประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทำการุณาจิตให้เกิดขึ้นตัวอวิหิงสาความดําริที่ถูกต้องเนี่ยดําริในการที่จะทำให้การุณาดัาริในอันที่จะไม่เบียดเบียนเขา เมื่อดำลิในอันที่จะไม่เบียดเบียนเขาเกิดขึ้นก็เลยกรุณาเขาหรือในขณะเดียวกันดำลิในอันที่จะไม่ริษยาเขาก็เลยทำให้มุทิตาเกิดขึ้นเหมือนกันเห็นไหมว่าตัวอวิหิงสาตัวสัมมาสังกัปปะเนี่ยสามารถผลักดันให้กรุณาเกิดโดยตรงมุทิตาเป็นของแถมนะมุทิตาเป็นของแถม เห็นไหมเราจะได้คุณธรรมเหล่านี้เราก็เลยได้ที่พึ่งฉะนั้นกรุณาและมุทิตาเนี่ยถูกผักมาทั้งตัวอภยาบาตถูกผักมาทั้งตัวตัวอวิหิงสาเนี่ยจะทําให้กรุณาเกิดขึ้นทําให้มุทิตาเกิดขึ้นเนาะเอาประเด็นตรงนี้ก็คือมุทิตาจิตเนี่ยเกิดยากมากในสังคมไทยโดยมากเราจะได้มุทิตาเทียมมุทิตาแท้ไม่ค่อยได้ แต่เราท่านทั้งหลายที่มาฟังธรรมะกันในครั้งนี้ที่มาตั้งหลายกลุ่มฟังธรรมะกันเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์หรือเป็นข้อสอบหรือเป็นพันธกิจเป็นภารกิจของท่งานทั้งหลายจะต้องไปทําถ้าท่านทําไม่ได้ฝึกไม่ได้แปลว่าท่านสอบตกในศาสนาของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่ท่านจะได้ที่พึ่งระดับเมตตากรุณาและมุทิตาเนี่ยแปลว่าท่านจะต้องสามารถทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆ ถ้าท่านทำได้จริงๆแล้วเนี่ยก็นับว่าท่านทั้งหลายได้ที่พึ่งได้อะไรรู้ไหมเมตตาเป็นพระธรรมกรุณาเป็นพระธรรมมุทิตาเป็นพระธรรมเขาเรียกว่าธรรมมังสรารนังกฉามิได้พระธรรมเป็นที่พึ่งถ้าได้เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยโลกิยะเป็นที่พึ่งได้แล้วก็ได้ที่พึ่งระดับโลกิยะถ้าคุณธรรมเหล่านี้ เป็นฐานปฏิบัติการจนสามารถเป็นปัจจัยให้เราประชุมอริยามรรคอริยผลได้เมื่อไหร่เราก็ได้ทำมังสาระนังกชามิระดับโลกุตละเห็นไหมตอนนี้เราต้องการหาที่พึ่งเราเริ่มเห็นที่พึ่งของเราแล้วว่าท่านทั้งหลายวันวั น, วนหนึ่งได้เข้าถึงที่พึ่งกันได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นบททดสอบแล้วก็เป็นข้อฝึกแล้วเป็นสิ่งที่ท้าทายท่านทั้งหลายไม่ใช่เรามาเรียนธรรมะฝึกธรรมะศึกษาธรรมะ ก, ก, ก, กัน เพื่อเพืงเพี้ยจะเอาไปสอนเอาเพียงแค่ไปเออไปอวดไปรู้หรือไปเอาหน้าเอาตาหรือไปเพียงบอกว่าฉันฟังธรรมะไม่เลยท่านทั้งหลายมีพันธกิจมีภารกิจนะที่จะต้องทําส ร, ราุปแล้วว่าวันนี้ท่านทั้งหลายต้องมาเซ็นเอ็มูกับพระาราชนตรัย <c oughs> ต้องมาเซ็นนะเซ็นกับพระาราชนตรัยแล้วเซ็นเสร็จแล้วเนะี่ยห้ามห้ามถอนสัญญาด้วยทีนี้เอาพูดถึงอุเบกขา หลังสมมตินะสมมติว่าท่านตั้งหลายทำเมตตากรุณามุทิตาคร่องแคล่วแล้วโอ้โหทำกันอย่างชนิดที่เจอหน้ากันเดี๋ยวถ้าเราเสามารถฝึกกันได้ดีๆแล้วก็นัดเจอกันนัดเจอกันแล้วก็จะได้คุยกันโอ้จะมีความสุขว่าโอ้ฉันจเจริญเมตตาคร่องแคล่วมมทิตาคล่องแคล่วเออกรุณาคร่องแคล่วเจริญให้กับเมตตากับตนเองก็หูดื่มดา จเจรเนคนที่เขาเคารพก็ชัดเจนจเจริญใน่คนที่เป็นที่รักก็ชัดเจนจเจริญใไมคนเป็นกลางกลาก็าชัดเจนแม้จเจริญ่เมตตาให้กับศัตรูคู่เวรก็จเจริญได้หมดเลยไม่ติดขัดเลยมองไปในทิศไหนไหนทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอนุทิศทิศเบื้องบ น, บ, นบนเบื้องต่ําเมตตาโลดแล่นได้หมดเลยแม้จะมองไปในทิศหกที่พระเจ้าสอนทิศเมืองหน้ามารดาบีดาใช่ไหมเออจะไปที่มารดาบาีพ่อแม่ ที่พ่อแม Donc, ่ก็สามารถเมตตาพ่ mans, อแม่ได้เมตพ่อแม่ก็สามเมตตาเมตตาลูกได้อาจารย์ก็เมตตาศิษย์ได้ศิษย์ก็เมตตาอาจารย์ได้สามีก็เมตตาภรรยาได้ภรรยาก็เมตตาสามีได้เจ้านายก็เมตตาลูกน้องได้ลูกน้องก็เมตตาเจ้าเจ้านายได้พระก็เมตายมได้โยมก็เมตตาพระได้โอ้โหสามารถเจริญเมตตาได้ทั้งทิศทั้ง10ทั้งทิศ6โอ้โหเดินเมตตาได้เมตาวิ่ง ช่ำชองชำนิชำนานครองแค่วมากอันนี้แปลว่าท่านทั้งหลายสอบผ่านพอมาถึงการุณาก็ในญาติเดียวกันเจริญเมตตาได้แม้กับตนเองและบุคคลอื่นได้ทุกทิศได้ทุกสถานการณ์ได้ได้ทุกบุคคลมุทิตาก็เป็นไปนในลักษณะนั้นพอยินดีแปลว่าพวกเรานี่เข้าถึงธรรมะระดับเมตตากรุณามุทิตาแล้วนิดานสุดท้ายคืออุเบกขานิดานหินแต่โอ้โหมันตื่นเต้นมันน่าฝึกมันเป็น มันท้าทายมากมันท้าทายมากว่าเราจะต้องเข้าถึงอุเบกขาให้ได้ถ้าเข้าถึงอเบกขาไม่ได้ก็เอียงกระแสะชีวิตของเราก็เอียงกระเทเล่ไม่เที่ยงตรงดุดตาโชไม่เที่ยงธรรมและถ้าไม่สามารถเข้าถึงอุเบกขาได้เราก็ไม่สามารถจะรักษาธรรมะสิ่งที่ดีงามเป็นต้องได้และเราก็จะเป็นผู้ทํำลายกฎเกณฑ์กติกากันแล้วแล้วๆ เขียนกติกากันขึ้นมาก็ทำลายกติกาเขียนกติกากันมาก็ทำลายกติกาเรารู้ไหมว่าสังคมใดบ้านใดเมืองใดทำลายกติกามากที่สุดสังคมนั้นหมู่บ้านนั้นบ้านเมืองนั้นเป็นสังคมที่ขาดอุเบกขาขาดอุเบกขาเขียนกันขึ้นมาก็ทำลายทิ้งเขียนกันขึ้นมาก็ทำลายทิ้งฉีกทิ้ง เนี่ยสังคมไปไม่ถึงอุเบกขาน่าเศร้าใจไหมล่ะพ่อแม่ขาดอุเบกขาตั้งกฎเกณฑ์กติกาพ่อแม่ทําลายซะเองในโรงเรียนตั้งกฎเกณฑ์กติกามาครูอาจารย์ทําลายซะเองในหน่วยงานในบริษัททางร้านตั้งกฎเกณฑ์กติกามากับทาลายซะเองในชุมชนนั้น น, นตั้งกฎเกณฑ์กติกามากับทาลายซะเอง ในอำเภอนั้นในจังหวัดนั้นในภาคนั้นในประเทศนั้นในโลกนั้นตั้งกฎเกณฑ์มันก็ทำลายใะ่ีกเพราะสังคมที่ขาดอุเบกขาเห็นโทษมันนีงฉะนั้นถ้าวันนี้ในกลุ่มเราทำอุเบกขาไม่ได้พวกเราเนี่ยจะเป็นคนทำลายกฎเกณฑ์กติกาทาลายนี่ระดับกฎสมมุตินะและที่หนักไปกว่า น, นั้นก็คือเราจะไม่เข้าถึงกฎความจริงธรรมชาติ เช่นเกิดแก่เจ็บตายวิบัติพัดพลากกระแสชีวิตทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยเราก็จะ ไ, ไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติต่อกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่ถูกเช่นเวลาเจออากุศ ล, ลกรรมให้ผลก็เครียดก็ก้มก็ทุกเวลาบาปให้ผลน่ยบาปให้ผลก็ทุกเครียดก้มว่างั้นเถอะ ไปทั่วเลยขาดปัญญาอ้อนวอนบนบานสารกล่าวเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเวลาความสุขประสบปัญความสุขได้ดีมีสุขหลงละเริงหลงละเริงลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยสังคมที่ขาดอุเบกขาขาดปัญญาเสียหายมากนี่เป็นอย่างงี้นะอันนี้ยังไม่ไม่เจาะลงไปแล้วดูกันว่าอุเบกขามาจากอะไรในสัมมาสังในสัมมาสังกปะ อุเบกขามาจากเนคขมมะสังกปะความคิดที่ไร้กามความคิดที่ออกจากกามเอาความคิดที่ออกจากกามความคิดที่ไร้กามเนี่ยทำไมจึงเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาเพราะความคิดที่ไร้กามเขาเรียกว่าเนคขมมะเนี่ยเป็นการออกจากนิวรธาธรรมนะนั้นเมื่อใจไม่มีนิวรธาธรรมใจไม่มีความกําหนัดไม่มีความขัดเคืองไม่มีความมัวเมาลุ่มหลงไม่มีความ ไม่มีความกำหนัดไม่มีความขัดเคืองไม่มีความหดหูงท้อถอยไม่มีความฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่มีความรังเลสงสยัยจิตก็เลยตั้งมัน่นพอภาวะที่จิตตั้งมัน่นนี้แหละจึงน้อมลงสู่อุเบกขาชัดไอ้พิง น, น้อมเป็นอุเบกขาได้ชัดฉะนั้นเนคขมมะสังกปานี่แหละตามหลักก็คืออุเบกขาเจโตวิมุตติเนี่ยเป็นนิสรณะของราคะเข้าใจครับ เมื่อเป็นนิสสรณะของราคะเนี่ยเขาบอกว่าอุเบกขาเจโตวิมุตติอุเบกขาเจโตวมุตติคือการหลุดการที่จิตที่หลุดพ้นเข้าถึงอุเบกขาอย่างแท้จริงเข้าถึงอุเบกขาฌานจริงๆเนี่ยเขาเป็นนิสสรณะจากราคะก็คือเขาปลอดจากราคะเรียบร้อยแล้วราคะจะไม่ไปกุ้มรุมความกำนัดความยินดีความเพลิดเพลินจะไม่กุ้มรุมใจของบุคคลที่เข้าถึงสภาวะของอุเบกขาเจโตวิมุตติ ฉะนั้นเนคขมะจึงจดัดว่าเป็นอุเบขาเพราะเป็นความหลุดพ้นจากราคะหลุดพ้นจากหลุดพ้นจากราคะด้วยแล้วก็หลุดพ้นจากโทสะโมหะเป็นต้นด้วยแต่เขาขับเน้นที่ราคะที่เนคขมะจึงจึงเป็นปฏิปักษต่อราคะแล้วอย่างหนึ่งนะกามเนี่ย กามกามกามราคะทั้งหลายก็เป็นปฏิปักต่อสมาธิเนคขมะนี่เป็นตัวหนึ่งในสับของสมาธิด้วยหรือจิตที่น้อมออกจากกามทั้งหลายถ้าเนคขมะโดยรูปแบบก็คือการบวชเงี้ยนี่คือการบวชการนุ่งขาวหมขาวการบวชนุ่งเหลืองหรืวินด์ดอนเนี่นี่รูปแบบแต่ถ้าเนคขมะโดยสภาวะคือจิตที่น้อมออกจากกามนี่จิตที่น้อมออกจากกามที่แท้จริงก็คือตั้งมั่นในสมาธิ การตั้งมั่นในสมาธิถ้าจะเป็นให้สูงสุดจริงๆต้องเป็นอุเบกขาในฌานระดับสูงก็คือเป็นนิสระาของราคะอย่างนี้เป็นต้นในทีคนิกายปฏิกวะไปดูเองเอาแต่นี้นี้ชัดเจนแล้วนะทีนี้ถามว่าอุเบกขาอุเบกขานี้เจริญได้ไม่ยากถ้าเข้าใจแล้วเอาทีนี้เดี๋ยวเรายึดโยงต่อเชื่อมโยงต่อเราจะได้มีความเข้าใจได้ชัดขึ้นเอตรงนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว โอ้โหเวลาใกล้เวลาใกล้จะหมดอีกแล้วเหลืออีกอจริงๆจริงๆวันนี้มีขึ้นตารางให้โยมได้ดูเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องต้องพูดเยอะเลยจริงๆต้องอธิบายมากแต่ตอนนี้โยมเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วเนาะเอาสมมุตินะสมมุติสมมุติโยมเจริญเมตตากรุณาพรทีตาคล่องแล้วก็เดินขึ้นสู่อุเบกขาได้ในชีวิตจริงเนี่ยอดูในชีวิตของจริงก่อน คนที่เดินอุเบกขาได้จะเป็นคนที่ฉลาดในกฎเกณฑ์กติกาแล้วก็วางท่าทีทางใจในกฎเกณฑ์กติกามีปัญญารู้และเข้าใจแล้วก็เข้าใจความจริงของชีวิตว่ามันจะมีสองกฎไหมกฎกฎสมมุติกับ ก, กฎธรรมชาติฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าในยามที่เราเลี้ยงลูกนะเลี้ยงลูกเนี่ย ในยามที่เลี้ยงลูกเราจะในยามที่ลูกปกติเราเมตตาเขารักปรารถนาดีเอื้อทอนนี่ถูกต้องนะในยามลูกประสบปัญหาชีวิตกรุณาในยามที่ลูกได้ดีมีสุขกมุติตาวาละไหนควรใช้อุเบกขากับลูกวาละที่ต้องการให้ลูกฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้สังเกตดูนะว่าถ้าใครกรุณาลูกทุกเรื่องทําให้ลูกทุกเรื่องไปช่วยค้นขวายลูกทุกเรื่องลูกคนนั้นจะอ่อนแอ เด็กคุณน่าจะอ่อนเนีย่ยทันทีหรือถ้ า, าไปอะไรก็โหยพอยินดีนิดนิหน่อยก็พอยินดีก็อย่างนี้ก็เสียอีกนะฉะนั้นในกรณีที่ต้องใช้เมตตากับลูกให้ถูกสถานการณ์ให้ชัดแล้วต้องมีความเข้าใจว่าเมตตาต้องให้เมตตาแท้เกิดกับลูกนะห้ามเป็นตันหาเปมะอันนี้เป็นบอกแล้วรายละเอียดบอกหลายอย่างแล้วต้องชานฉลาดในการทําเมตตาเกิดขึ้นในยามปกติ ในขณะที่จะให้เขาได้เมตตาเอ่ยพูดเขาได้เมตตาทําประโยชน์เขาได้เมตตานั้นว่าไปในการกระทากรุณาก็ใช้ในยามผิดปกติลูกมีปัญหาชีวิตทั้งหลายต้องขนขวายช่วยเหลือก็ทำเต็มที่การให้ได้กรุณาพูดด้วยกรุณาแล้วก็ทำบำเพ็ญประโยชน์ได้กรุณามุติตาเมื่อโยมเมื่อลูกประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดิบได้ดีแล้วก็มุติตาด้วยการให้ด้วยการพูดจาด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ที่นี่ในยามที่จะทำอุเบกขายกตัวอย่างเช่นว่าเอาลูกต้องเรียน นี่ลูกเรียนเนี่ยเออลูกต้องมีการบ้านอ๋อลูกมีการบ้านโอ้ลูกเหนื่อยเหลือเกินเอาเอ า, เอาการบ้านมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทํำให้เดี๋ยวพ่อทำให้นี่ก็ละการนาผิดแล้วนะเนี่ยในวาระนั้นควรวางใจเป็นกลางให้ลูกได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองลูกจะได้ชานฉลาดแล้วลูกจะรู้ผิดรู้ถูกอธิบายลูกฟังได้แต่ไม่ใช่ไปโอ้ชี้ตนทุกเรื่องจะลูก ไม่ไม่รู้จักที่จะคิดด้วยตนเองฉะนั้นการวางใจเป็นกลางก็คือการให้ลูกได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกฉลาดแต่ไม่ใช่ว่าอุเบกขาแต่เพื่อือนะจนไหลน้ำใจฉะนะไม่ใช่อุเบกขาจนไหลน้ำใจจนกลายเป็นว่าขาดการยึดยงกันเลยไม่ยึดยงไม่เชื่อมประสานกันเลยเพราะอย่างนี้ ให้สังเกตดูนะว่าอุเบกขาเนี่ยจะถ้าพูดถึงในเรื่องของสังฆวัตถุเนี่ยอุเบกขาเนี่ยจะผลักดันให้สมานตาตาเกิดขึ้นคือการวางตนเหมาะสมต่อบุคคลต่อสถานการณ์เนี่ยนิดไอตรงนี้ก็คือว่าการที่เราวางใจเป็นกลางเนี่ยก ร, รณีที่จะให้ลูกได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างนี้เป็นต้นหรือในยามที่เกิดปัญหาชีวิตลูกไปทําผิด ต้องไปทําให้ของกฎของโรงเรียนแล้วบอกว่าไม่ได้เราเป็นผู้สามารถหักกฎได้เนี่ต้องระวังนะเนี่ยต้องไม่ไปทําลายกฎของโรงเรียนต้องไม่ไปทําลายกฎของสัมคัและต้องไม่ทําลายกฎของประเทศชาติทางนั้นก็เอียงให้อุเบกขาเนี่ยก็มีไว้รักษาธรรมะตรงนี้ยเห็นไหมว่าเมตตากรุณาเมตตาเนี่ยเกี่ยวข้องกับว่าคนกับคนมนุษย์ปฏิบัติต่อมนุษย์เป็นต้นเหล่านี่ยแต่ถ้าอุเบกขาเนี่ยเป็นการ ไม่คนกับธรรมะเพื่อรักษาธรรมะรักษากฎเกณฑ์กติกาให้ถูกต้องดีงามไม่เป็นไปตามธรรมะให้เป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติให้ให้มีความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องดีงามเพราะจะชัดเจนนะ เ, เมื่อเมื่อชัดเจนทีนี้เอาละจากพรหมวิหารขึ้นสู่สังขาวัตถุในสังขาวัตถุมีอะไรบ้างสังขาวัตถุหลักการส่งข้อสี่ประการเนาะ ก็คือทานการเอเื้อเผื่อเผื่อแผ่ด้วยเมตตากรุณาและมุทิตาหลักการผูกไมตตีสังหะเนี่ยสังคหะศัพท์นี้ก็เป็นหลักการส่งเคราะห์ทีนี้หลักการส่งเคราะห์ที่เรียกว่าสังหะวัตถุเนี่ยแปลกันยังไงดีสังคหะวัตถุก็แปลว่าทมเป็นที่ตั้งแห่งการส่งเคราะห์ สังกะหาก็แปลว่าการส่งค้าวัตถุก็แปลว่าที่ตั้งถ้าพูดเป็นภาษาไทยไทยทำเป็นที่ตั้งก็คือหลักนั่นแหละหลักนั่นเองวัตถุก็คือหลักสังกระหาก็คือการส่งค้อก็คือหลักการส่งค้าอ่ารูปที่สองเดีย ท, ทีนี้ในกรณีอย่างนี้การส่งค้าแปลว่าอะไรในภาษาไทยเรามอง ว่าการสง่งเคาะก็คือการช่วยเหลือแต่ที่จะจริงนั้นน่ไม่ใช่ความหมายเดิมแท้ในภาษาบาลีนะในภาษาบาลีคำว่าสังหะก็คือสง่งเคาะก็แปลว่าแปลตามตัวแปลว่าอะไรแปลว่าการจับจับรวมเข้าก็เข้าด้วยกันเอามารวมกันไว้ด้วยกันหรือจับมารวมกันไว้คำนี้ใช้กับคนนะสังหะสง่งเคาะก็มีความหมายที่ต้องมองต่อเนื่องเป็นชั้นๆลงไป จับคนมารวมกันไว้ไม่ใช่จับแค่คนแล้วจับใจคนมารวมกันไว้อันนี้หลักการจับใจคนมารวมกันไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจกันนั่นเองไม่ใช่เอามือไปจับนะเป็นการกระทาที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจกันคือทำให้เข้ามารวมกันเป็นสามคัคคีให้เป็นหนึ่งเดียวกันใหเนเ้เป็นเอกภาพเป็นเอกภาพหรือที่บอกว่าเป็นสามัคคี ไปๆมามาก็คือเป็นการเสมอสมานกันอย่างนี้เป็นต้นนั้นสรุปแล้วก็คือว่าการสงเคราะห์ก็หมายถึงการจับคนหรือจับใจคนมารวมกันอย่างที่ว่าว่าสงเคราะห์ก็หมายถึงการจับสารจับธาตุจัดรวมใส่กันไว้แล้วก็จำกัดไปตามคำบอกว่าเป็นเรื่องของการบัญญัติศัพท์เพื่อจะให้เราเกิดความเข้าใจให้ชัดขึ้นทีนี้เอาละสังขา ดังที่ได้กล่าวว่าหลักการก็คือว่าการที่จะสามารถเชื่อมประสานหรือจับคนมารวมจับใจคนให้มารวมกันไว้ก็ต้องมีทานคือการให้การแจกจ่ายแบ่งปันเอเื้อเพื่อเพร่แผ่จัดสรรให้มีกินมีใช้ทั่วถึงกันนี่เรื่องการให้ส่วนปิยาวาจาก็คือการพูดจาน่ารักมีถ้อยคำที่พูดกันด้วยใจปรารถนาดีวาจาที่น่าชื่นใจ ชวนให้อยากทำอยากปฏิบัติในการและก็ชวนให้ให้มาพบปะพูดจากันใช้ปัญญาร่วมกันคิดร่วมกันจัดการนี้เป็นต้นแก้ปัญหานั่นเองส่วนอัธยจริยาก็คือบำเพ็ญประโยชน์ทําประโยชน์ให้ช่วยด้วยแรงงานและกำลังความรู้ความสามารถอย่างนี้เป็นต้นสามข้อแรกนี่แสดงออกมาจากใจที่เป็นไปกับเมตตาการุณาและมุทิตา ฉะนั้นตัวใจต้องมีเมตตานะถึงจะผักการให้ให้ด้วยเมตตาอย่างไรให้ด้วยกรุณาอย่างไรให้ด้วยมุทิตาอย่างไรนี่ต้องต้องต้องสามารถเอามาปฏิบัติได้ถ้าเจริญเมตตากรุณามุทิตาชัดแล้วถ้าเจริญเมตตากรุณามุทิตาชัดแล้วเมตตาให้ด้วยเมตตาอย่างไรให้ด้วยกรุณาอย่างไรให้ด้วยมุทิตาอย่างไรนี่เป็นสมแล้วส่วนกรุณาก็เหมือนกัน ให้ด้วยกรุณาพูดด้วยกรุณาแล้วก็ทำประโยชน์ด้วยกรุณามุติตาก็คือให้ด้วยมุติตาพูดด้วยมุติตาแล้วก็ทำประโยชน์ด้วยมุติตาเนี่ย 3, 3, 9, เนี่ยต้องทำให้คล่องต้องเอาไปฝึกเรามีเราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนทุกวันแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยตั้งใจที่จะฝึกทีนี้เป็นโจทย์ ที่จะต้องเอาไปให้ยอมไปทํากันนะเอาและวยอมจะต้องสมมติเมตตาเนี่ยยอมทําเมตตาให้เกิดขึ้นที่ใจที่ถูกขับมาจากชันทะเป็นต้นที่ถูกผักมาจากตัวตัวอัพยะปาทะเป็นต้นที่มาจากสัมมาสังกปะหรือมาจากโยนิโสมนัสการมาจากตัวปัญญาเป็นต้นเหล่านี้เมื่อทาเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วยอมต้องไปฝึกให้ด้วยเมตตาเมื่อใจมีเมตตาแล้วก็ฝึกในการให้เมื่อใจมีเมตตาแล้วก็ฝึกพูดด้วยเมตตา เมื่อใจมีเมตตาแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ด้วยเมตตานั่นแหละคนใกล้ๆยมนั่นแหละให้มานัดการว่าเราจะปฏิบททัติธรรมเราจะปฏิบททัติธรรมเราจะเอาเมตตามาประชุมไว้ในใจว่าเป็นธรรมะไว้เป็นหลักใจเราแล้วให้เมตตาผักออกมาในการให้จริงๆในการพูดด้วยเมตตาจริงๆในการทําประโยชน์ด้วยเมตตาจริงๆและให้เมตตาเกิดจริงๆนะไม่ใช่ให้แบบเดิมๆที่ยมทําให้แบบแบบอะไรให้แบบตันหาบ้างมาหน้าที่ถีบ้างนั้นะไม่เอา ยอมต้องไปสังเกตว่าเมตตาผักออกมาจริงๆไหมถ้าไม่จริงทำใหม่บอกลูกว่าเอาลูกมาเอาของนี่พูดด้วยเมตตาเนะี่ยเอาหยิบยื่นให้ดูใจพอหยิบยืน่นปุ๊บไปเมตายังไม่เกิดเดี๋ยวเดวเอาของมาใหม่ขอยื่นใหม่อีกครั้งดีไหมฝึกอย่างนี้ยฝึกแล้วฝึกอีกถ้าทำอย่างนี้ดีเลย ทีนี้เอาเอาฝึกเมตตาได้แล้วก็ฝึกกรุณา <c oughs> กรุณาเมตตาใช้ในสถานการณ์ปกติตรงเนี้ย <c oughs> การที่จะสลับหน้าให้ทันต่อสถานการณ์หรือสลับคุณธรรมให้ทันต่อสถานการณ์เนี่ยโอ้โหเป็นความสามารถพิเศษเป็นศิลปะเป็นเป็ น, ปนคำว่าศิลปะนี่ก็คือทําเป็นโอ้ในยามปกติเหมื่เมตตามาล้อเลย ให้ด้ยวยเมตตายัางไงพูดด้วยเมตตายัางไงพูดประโยชน์ด้วยเมตตาปุ๊บปุ๊บปเร็วมากในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาลงโู้โกรุณามารอมนั่งแท่นในใจคอยกำกับใจพักดันในการให้ด้วยกรุณาพูดด้วยกรุณาแล้วก็ทำประโยชน์ด้วยกรุณาในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาขึ้นเขากำลังประสบความสําเร็จในจิตโอ้โหให้ด้วยมุทิตาพูดด้วยมุทิตาแล้วก็พูดปรโยชน์ด้วยมุทิตาคล่องแคล่วแล้วในสถานการณ์ที่จะรักษากฎเกณฑ์กิกาธรรมะ กดเกณฑ์ธรรมชาติให้เป็นไปตามธรรมระหว่างคนยึดโยงกับธรรมะนี่โอ้โหเบกขามาทันทีเลยใช้ในสถกกานที่ถูกต้องดีงามสรุปก็คือใช้พรหมวิหารเปลี่ยนพรหมวิหารทันต่อสถานการณ์ทันต่อบุคคลแต่ละกรณีได้อย่างชัดเจนอันนี้แปลว่าทานปิยาวาจาอัตถจริยาเนี่ยชัดและส่วนสมานตตาเนี่ยสมานตตาเนี่ยมีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรมะสมานกันโดยทรรมทั้งเข้าถึงและก็ร่วมกธรทมแยกเป็นสองประการนั่น1ึก็คือสมานะตาสับเนี้ยคือมีตัวเสมอการเท่ากันและเข้ากันเสมอภาคและก็สมานกันนี่นะสมานะตาส่วนคำว่าสมานกิจก็คือร่วมกิจการงานทำเท่ากันตามกำลังและก็ทำเข้ากันได้ ทำกิจกรรมนั้นเข้ากันได้กลมเกลืนกันได้ส่วนคำว่าสมานะสุขขาทุกก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ชัดแล้วเนี่ยไอตัวคำว่าสมานตาเนี่ยเมตตากรุณามุทิตา3ข้อแรกเนี่ยเป็นไปในแนวทางเดียวกันแต่พอมาถึงข้อที่สี่ ที่อุเบกขามีลักษณะพิเศษอย่างที่ว่ามาแล้วว่าสามข้อแรกนะเน่ยเอื้อคนเชื่อมโยงกับคนแต่ข้อที่4ี่เนี่ยเอาธรรมะเนี่ยเอาธรรมะนี้ก็เหมือนกันในสังขาวัตถุสามข้อแรกเป็นเรื่องช่วยเหลือกันละกันนะแต่มาข้อที่สี่ไม่ได้เห็นเป็นการช่วยเหลือกันอะไรเลยสมานาตาตามีตนเสมอในสามข้อแรกเอื้ออนวยแก่คนในสามข้อแรกเนี่ยแต่มาถึงข้อที่สี่สมานตาตาเนี่ย เท่ากันตามอะไรตามธรรมะเท่ากันตามธรรมะศั์คำว่าสมาณะ ต, ะตาตับอกในตัวบอกว่าไงเนี่ยสมาณะบวกอัตตาบวกอัตตาบวกอัตตะแล้วก็บวกคำว่าตาสำหรับตัวท้ายที่แปลว่าตาตาคำนั้นน่ไม่ต้องเอามาไม่ต้องไปใส่ใจมากคำว่าตาคำนั้นเน่เป็นคำทำทางไวยากรณ์แค่แปลว่าความหรือแปลภ า, าวะ คำหลักก็คือคําว่าสมานสมานสมานก็คือกับคําว่าอัตตะหรืออัตาที่อัตาที่แปลว่าตนเนี่ยสมานเนี่ยอ่านเป็นบาลีเขาเรียกสมานนะสับนี้แปลว่าเสมอแต่พออ่านแบบไทยๆสมานสมานเนี่ยคนไทยเข้าใจความหมายว่าแปลว่าเชื่อมแปลว่าประสานทําให้ติดกันทําให้กลมกลืนก็เลยกลายเป็นว่าสมานแบบบาลี เสมอไอ้สมานเนี่ยแบบไทยส่วนเสมอเป็นแบบบาลีแต่สมานแบบไทยแปลว่าแบบประสานกลมกลืนทีนี้จริงๆมันคําเดียวกันนี่แหละไอ้คาว่าเสมอกับคําว่าสมานเนี่ยคําว่าเสมอแต่มันต้องระวังก็คือว่าเวลาปัจจุบันนี้เรามาใช้กันผิดเช่นเสมอกันก็แปลว่าเท่ากัน เช่นมีลูกสองคนลูกหญิงลูกชายพี่กับน้องพ่อแม่บอกอ้าวมีลูกแล้วต้องมีที่ให้ที่เท่ากันคือเสมอกันแล้วทีนี้เอาละไอคนนั้นมีบ้านฉันก็ต้องมีบ้านด้วยไอคนนั้นมีรถฉันก็ต้องมีรถด้วยมันเสมอกันแบบนี้นะคือเท่าเท่ากันนี่เสมอแบบนี้มันเสมอแล้วแย่งกันเสมอเราแข่งกันเสมอเราแปลกแยกกันไอเสมอแบบเนี้มันเสมอเอาตัววัตถุเป็นตัวตั้งแล้วก็เขาจะต้องเท่ากัน แล้วโอ้ยเราแข่งขันกันตอนนี้เอารัดเอาเปรียบกันโอ้ยไปใหญ่เลยตอนนี้ยเสมอแบบเนี้ยไม่ใช่เสมอแบบพระพุทธเจ้าสมานนตาตาแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเสมอนี่แปลว่าอย่างที่ได้บอกไว้แล้วเสมอในสุขเสมอในทุกขเสมอต้นเสมอไปลายไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังเอาตนเองเข้าไปสมานเห็นไหม มองสถานการณ์ได้ถูกต้องวางตนได้อย่างเหมาะสมทันสถานการณ์ด้วยปัญญาและเวขาเสมอในสุขเสมอในทุกเสมอแบบเชื่อมประสานไม่ใช่เสมอแค่วัตถุเป็นการเชื่อมประสานแล้วก็เมื่อเขาเรียกว่าสมานสุขขาทุกข์ตาก็พือว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมทานัาน้นเก็คือเมื่อมีสุขก็ เชื่อมภาษาก็ร่วมสุขด้วยกันแต่พอมีทุ ก, ก็ร่วมกันแก้ไขจัดการไอลักษณะของสมานัตตาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเสมอภาคเนี่ยในแบบปัจจุบันเนี่ยเป็นการเสมอภาคที่แข่งขันแย่งชิงก็เลยกลายเป็นปัญหาแล้วก็แตกแยกแต่เสมอของท่านก็หมายความว่าดังที่ได้กล่าวว่าก็คือเชื่อมประสานยึดโยงแล้วก็ วางตนที่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นสรุปก็คือว่าอุเบกขาเนี่ยผักมาเป็นสมานาตต า, ตาถ้ากระทําออกมาเขาเรียกว่าเป็นสัมมากรรมมันตะเห็นไหมย่งฉะนั้นเปนพอเป็นสัมมากรรมมันตาเนี่ยก็คือการกระทำ ก, ะการกระทำการงานชอบ เป็นการกระทำออกมาทางพฤติกรรมทางกายการที่จะเป็นสมานตาเอาตนเองเข้าไปเสมอสมานก็คือวางตนเหมาะสมเป็นหัวหน้าก็วางตนให้เหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องก็วางตนให้เหมาะสมกับการเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายหรือเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ตายายย้ายวางตนเสมอแล้วก็กระทำนะกระทําเสมอด้วยกระทําเหมาะสมกับการเป็นในฐานะนั้นๆด้วยที่ที่มันเชื่อมคนที่มีสมานตตาเนี่ยมันเข้ากับคนได้ เชื่อมประสานเป็นนั่งอยู่ในใจคนได้หมดเนะี่ยคนบางคนเนะี่ยไม่มีสมานัตตาเห็นชัดเลยเนะี่ยเออไปเป็นเข้ากับลูกน้องด้วยกันได้แต่เจ้านายเกลียดนัก <c oughs> บางทีโอ้โหเข้ากับพี่ได้แต่น้องเกลียดอะไรเงี้ยนะเข้ากับเพื่อนได้แต่เข้ากับกับเจ้านายก็ไม่ได้เข้ากับลูกน้องก็ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่มันขาดสมานัตตาอันสมานัตตาดูทายากไหมทยากสรุปก็คือว่าอย่างนี้ การให้ทานก็ใช้สัมมารกรรมันต์ใช่ไหมเป็นการกระทําที่ถูกต้องดีงามการประพฤติประโยชน์ก็เป็นสัมมารกรรมันตะการสมมาณตตาการวางตนที่เหมาะสมก็เป็นสัมมารกรรมันต์นั้นทานปิยาวาทาอัฏฐจริยาสมมาณตตาส่วนปิยาวาจานั้นเข้าในหมวดของสัมมาวาจานี่เป็นหมวดของศีลแล้วสรุปีคืออย่างนี้สัมมาสังกปะเนี่ยเป็นกลุ่มปัญญาศิกขา เป็นตัวขับเคลื่อนทำให้เมตตากรุณามุทิตาวิคขาซึ่งเป็นจิตสภาพจิตใจเกิดขึ้นแล้วผาักมาเป็นการกระทาเป็นทานปิยาวาจาอัตตาจริยาสมานะ ต, ตาตาจากสังขาวัตถุก็ผาักออกมาเป็นสมาวาจาเป็นสมากัมมันตาเป็นตัวศีลและที่ที่นั่นกันนั่นก็คือนู้นด้วยเป็นสมาชีวะด้วยนะให้สังเกตดูนะว่าเป็นความ ไอตัวสัมมาสังกปะทั้งหลายเหล่านี้เป็นเนคเป็นสัมมาสังกปะความคิดตีไรกลามไร้พยาบาทไราการเบียดเบียนเป็นโยนิสโสมนสัสการความคิดเสียสละเป็นเมตากุณณ า, นาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ก็ผ่ากออกมาเป็นสัมมาวาจาสัมมากรรมตะศัมมาชีวะก็สรุปก็คือว่าในระดับศีลสรุปก็คือในที่นี้ต้องการพูดให้การดําเนินไปตามมรคคาของพิชพนาเจ้าว่าในชีวิตจริงของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรามาจับตรงที่พรหมวิหารก็จริง ในระดับกลางสภาพจิตใจแต่ถ้าหากว่าวิ่งขึ้นไปข้างบนมีปัญญาเป็นตัวกากับมีสัมมาสังกปะเป็นตัวกากับความดับหลีที่ถูกต้องถ้าผากออกมาเป็นการกระทาเป็นระดับทเป็นระดับศีลกุศลเป็นระดับฐานกุศลก็เป็นการปรพฤติปฏิบัติธรรมะก็คื อ, คอย่อลงมาคือล ส, สมาธิปัญญาเยนหมวดของศีลสมาธิปัญญา หรือการประชุมการที่จะทำตามมรรคาของพระเชษฐาเจ้าให้กดขึ้นนี่เองตามอริยมรรคฉะนั้นตรงนี้จึงขอพูดแบบรวมๆตรงนี้ก่อนเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจอ๋อมีพระถามมาว่าคำว่าสมานาตาตาเนี่ยการวางตนที่เหมาะสมเนี่ย คนที่มีสมานตตาเนี่ยก็คือการวางตนที่เหมาะสมเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าตัวสมานตตาเนี่ยเป็นลักษณะของการประพฤติปฏิบัติที่วางตนได้เหมาะสมถูกต้องดีงามดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเมื่อเป็นบุคคลที่วางตนได้เหมาะสมได้ถูกต้องดีงามแล้วเนี่ยที่ที่พูดมาก็คือว่า มีตนเสมอกันเท่ากันและเข้ากันเสมอภาคแล้วก็สมานกันเนี่ยสมานในกิจก็คือทำกิจกรรมทั้งหลายก็ร่วมกันเข้ากันได้แล้วก็มีสุขมีทุกข์ทั้งหลายก็ร่วมกันแก้ไขจัดแจงแล้วก็วางตนเสมอตนเสมอปลายก็วางตนที่เสมอในสุขในทุกข์ไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังเนี่ยคนที่มีสมานนตาตาจะเป็นบุคคลที่ไปนั่งในใจคนได้ ถ้าคนแค่ให้ทานเป็นกล่าวปียะวาจาพูดจาอ่อนหวานบำเพ็ญประโยชน์แต่ขาดสมานนตตาเนี่ยเป็นคนทำผิดจังหวะเป็นคนทำผิดจังหวะผิดบุคคลผิดการบางทีถนะ้าให้สังเกตนะคนบางคนเป็นคนให้เกิดมาเป็นคนให้ให้ใ ห, ให้แต่เข้ากับใครไม่เคยได้เป็นคนพูดจาดีไปอย่างงั้นแหละแต่จริงๆไม่สามารถเป็นนั่งอยู่ในใจเป็นคนประทับกระทำประโยชน์เป็นต้นด้วย คือขาดอะไรขาดสมาณาตามันเลยเป็นการให้แบบไม่เหมาะไม่เหมาะแก่คนไม่เหมาะแก่สถานการณ์ไม่เหมาะแก่เหตุการณ์เยอะการกล่าวปิยวาจาเหมือนกันกล่าวไปอย่างนั้นเลยเนี่ไม่ชาญฉลาดในการกล่าวกับบุคคลในสถานการณ์อย่างไรทั้งหลายคือวางตนไม่เหมาะสมว่าเวลานี้ควรกล่าวปิยาวาจาเนี่ยพูดคาจริงคาที่เป็นประโยชน์ก็เป็นอย่างเงี้ยเช่น เวลานี้ยังไม่ควรพูดก็ไปพูดวางตนไม่เหมาะสมไง <c oughs> พูดอีกอย่างหนึง่งคนทะลุกลางป้องเคยเห็นไหมทะลุกลางป้องคือเนี่ยเป็นคนไม่มีสมาณาตาตาใช่ไหมวางตนไม่เหมาะสมฉะนั้นคนที่มีสนาสมาณาตาตาเนี่ยเป็นคนที่ไปอยู่เนีที่ไหนน่ารักคือชาญฉลาดในการปรับตนเองอ ให้เข้าตรงต่อสถานการณ์ได้ดีจริงๆเขาปฏิบัติธรรมมะเพราะอะไรรู้ไหมปัญญาก็เด่นเพราะปัญญาเด่นก็เลยเห็นมุมมองว่าจะทําอย่างไรแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนยีรู้สึกว่าอยู่ใกล้คนที่มีสมานัตตามันรู้สึกมันลงตัวมันลงตัวมันเหมาะสมเป็นเจ้านายลูกน้องก็โอ้โหชื่นชมเจ้านายที่วางตนเหมาะสมยามลูกน้องทุกข์เข้ามาขวนขวายทําตัวเสมอสมาน ร, ร่วมสุขร่วมทุกข์ ในยามที่ลูกน้องประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลายนี้เนี่ยโอยเนี่ยวางตนเหมาะสมในการสนับสนุนในยามลูกน้องมีปัญหาก็ไปแก้ไขบอกวิธีการในยามที่ลูกน้องเกเรทำผิดทั้งหลายนี่ก็วางกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายมีการปรับและชี้แจงให้เข้าใจด้วยนี่มันมีสมาณาต า, ตามันจึงสามารถไปปฏิบัติได้ตามสถ า, านการณ์ได้เหมาะสมมันจึงไปนั่งในใจคนได้คนที่มีสมาณาต า, ตาเป็นผู้นา แม้ถ้ามีผู้นน้ำที่ชานฉลาดในสมานหน้ตาวางตนที่เหมาะสมได้เป็นผู้นน้ำที่ยอดที่สุดเก่งที่สุดใครรู้ไหมในสมัยครังพูดการหัตถกะแล้วว่าก่าอุบาสกสุดยอดไปที่ไหนบอกกับพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระ อ, องค์เนี่ยรู้ความประสงค์ลูการพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าถามบอกว่าเออเธอเธ อ, เธอ เธอเป็นบอกว่าเธอทำไมมีพวกพ้องบริวารมากไปที่ไหนคนตามเธอเนี่เป็น5้าร้อยเป็นหกร้อยฮัทธากาแล้วว่าเกาบาสก์บวชฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญข่าพระองค์เนี่ยรู้ความประสงค์รู้ความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้องท่านผวกนี้ ปรารถนาที่อยู่เครื่องดุดหมบยาอาหารข้าพระองค์ก็ตอบสนองความต้องการของเขาได้รู้ด้วยรู้ที่จะให้ให้ที่เหมาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วให้ทันตวเวลาตรงต่อเวลาเป็นต้นด้วยทีนี้ถามว่าแล้วถ้าคนคนนี้บริษัทนี้ต้องการคำพูด คำพูดจริงก็สามารถพูดคำจริงคำอ่อนหวานก็พูดอ่อนหวานคำที่เป็นประโยชน์ถูกการถูกเวลาต้องการเวลานี้ควรจะพูดด้วยเมตตาเวลานี้ควรจะพูดด้วยกรุณาเวลานี้ควรจะพูดด้วยมุทิตาข้าพระองค์ก็ทำได้ตรงตามสถานการณ์นั้นๆโดยไม่โดยไม่ผิดพลาดหรือในกรณีที่จะประพฤติประโยชน์ด้วยเมตตากรุณาวดาก็ทาได้ถูกต้องดีงาม หรือในวาระที่จะวางใจเป็นกลางเนี่ยในวางวางใจเป็นกลางวางใจเป็นอุเบกขาเพื่อเขาได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองหรือเขาทําผิดทั้งหลายเขาต้องรับโทษทั้งหลายเหล่านีน้ข้าพเจ้าก็วางใจวางวา ง, วางสถานการณ์ได้เหมาะสมเป็นต้นฉะนั้นที่ท่านพูดในลักษณะนี้ต้องการชี้เห็นว่าในสมัยข้าพุทธกาลเนี่ยฮัตธกาละ ว, ว่าเกาวบาสกเนี่ยชัดมากในกรณีที่เป็นแบบอย่างของการประพฤติตามสังขาวัตถุ แต่บุคคลที่เป็นยอดที่สุดในการวางตนที่เหมาะสมใช้สมาณตตาได้ยอดที่สุดคือพุทธิย้าลองลงมาคือภาษาริบุตรแล้วก็ไล่ไปตามลาดับนะจะสุดยอดที่สุดคือพุทธิย้าเอาปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่จะเป็นข้อสอบหรือเป็นข้อสอบหรือเป็นข้อฝึกให้ยอมเอาไปฝึกไม่ใช่ว่าเราแก่แล้วทำไม่ได้นะแก่นี่แหละดี <laughs> ใช่ไหม เราไม่ใช่แกะมะพร้าวเท่ามะละกอนี่แกะแก่โพแกะไส้นี่แก่แล้วล่มเย็นถ้าแก่มะพร้าวเท่าเท่ามะละกอเป็นไงยอมรู้ไหมล่นใจหัวลูกหัวหลานใครอยู่ไกลว่าเจ็บกันร้นหาวหมดเลยนะจะไม่แก่มะพร้าวเท่ามะละกอแก่โพแก่ไซ้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือเนี่ยแหละวันนี้น่าจะไม่จบน่าจะไม่จบเดี๋ยววันวุ่งนี้ต่อแล้วจะพูด ให้รายละเอียดยกตัวอย่างอ้ใครถามอะไรมืนมีาขอกาถามระหว่างพยาบาทสังปะคิดองร้ยายกับวิสาสังปะคิดเบียดเบียนความแตกต่างอ่ไรขอายก่ไม่าเปตัวอย่างอ้าวตอบปัญหาเนะพยาบาททาสังกัปะใช่ไหมคิดคิดพยาบาทกับคิดเบียดเบียนต่างกันอย่างไรพยาบาทอ๋ออ่ ะ, อะใช่ไหม นั่นแหละคืออย่างนี้คิดพยาบาทกับคิดเบียดเบียนคืออย่างนี้ไอตัวคิดพยาบาทเนี่ยมันเป็นโทสะมีกําลังโทสะเป็นประธานนะคิดพยาบาทเนี่ยทีนี้ไอตัวตัวคิดเบียดเบียนเนี่ยวิหิงสาไอตัววิหิงสาเนี่ยมันเป็นประธาน ที่จริงก็คือมันมีกลุ่มอยู่ในกลุ่มโทสะนั่นแหละถ้าพยาบาทเนี่ยกรณีแห่งการที่ปองร้ายนะปองร้ายทั้งหลายเหล่านี้ไอ้กรณีแห่งการที่เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ที่เคยอธิบายมาเกี่ยวในเรื่องของไอ้ตัวพยาบาทใช่ไหมพยาบาทคืออย่างนี้พยาบาทวิตกก็คือความดำริที่ประกอบไปด้วยความขัดเคือง ไม่พอใจเครียดแค้นชิงชังคิดเพ่งในแง่ร้ายต่างๆมองคนอื่นเป็นศัตรูที่จะมากระทบกระทั่งเห็นสิ่งทั้งหลายก็ขัดอกขัดใจเป็นความคิดฝ่ายโทสะในแง่ไหนในแง่ถูกกระทบตรงกันข้ามกับอะไรตรงกันข้ามกับเมตตานี่นะให้ชัดตรงนี้นะตรงกันข้ามกักบเมตตาคือรักปรารถนาดีแกรทอนเพราะเราไม่รักเขา เพราเราไม่ปรารถนาดีกับเขาเราไม่เอื้ออทนเขาเราจึงพยาบาทเขานี่พยาบาทะส่วนวิหิงสาสังกป่าเนี่ยวิหิงสาวิตกเนี่ยความดำริในทางที่จะเบียดเบียนทําร้ายขมเหงตัดรอนและก็ทําลายอยากไปกระทบกระทั่งลุกรานคนอื่นอยากทําให้เขาประสบปัญหาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นความคิดในแง่โทสะเหมือนกันที่จะไปกระทบ แต่มันตรงกันข้ามกับกรุณามันตรงกันข้ามกับกรุณาถ้าการุณาเนี่ยขวนขวายจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์พ้นจากปัญหาแต่อันนี้จะไปทำลายเขาไปทาลายเขาให้เขาวิบัติอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิหิงสาจริงๆมันอยู่หมวดหมู่เดียวกันกับโทษาแต่แยกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ตรงกันข้ามกับเมตตาเรียกพยาบาท ถ้าตรงกันข้าม ก, กับกรุณาเรียกวิหิงสาพอจะชัดเจนไหมยอมถ้าไม่ชัดเจนเอาไว้ต่อเอา้าหมดแล้วเนาะหมดเวลาแล้วเอาไว้พรุ่งนี้อโมทนากับเราท่านทั้งหลายวันนี้มีมาฟังกันกีนก่คนลองดูดิ <24 S 1> อ, อ๋อยี่สิบสี่ท่านเนาะ ขโมยนากับท่านทั้งหลายยี่สิบสี่ยี่สิห้ายี่สิบหกท่านยี่สิบเจ็ดประมาณนั้นก็ขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายเราก็ถือว่าในยี่สิบสี่คนเนี่ยท่านมีการบ้านกันทั้งหมดแล้วเนียเดี๋ยวจะให้พระท่านตามสอบถามไปอยู่นะที่ไหนก็จะตามสอบถามไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายต้องไปทําการบ้านในการฝึกพรหมมิหารให้เกิดขึ้นนี่ได้จริง ขจัดค่าศึกใกล้ข้าศึกไกลแล้วฝึกให้เป็นเนื้อเป็นตัวให้ได้จนสามารถทําเมตตาจิตให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็จนถึงได้ที่พึ่งคือทำมังสรารนังกฉามิก็อันเดียวกับพุทธและสังฆานั่นแหละถ้าตราบใดเรายังไม่สามารถทําเมตตากรุณาเมตตาและเวกายเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตชีวิตของเราก็เสียหายเราก็จะมีพวกกิเลสนั่นแหละ เป็นหลักในการดําเนินชีวิตเราได้ตั้งใจว่าเราจะมีพุทธธรรมสังฆะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตและเราได้มอบตนเห็นไหมอุทิศตนแด่พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะอุทิศตนให้กับพระธรรมฉะนั้นเมื่ออุทิศตนถวายแก่พระธรรมก็ต้องให้พระธรรมอยู่ในกระแสชีวิตให้ได้ให้เมตตากรุณาเมตตาเบกขาอยู่ในกระแสชีวิตได้จริงพาออกมาเป็นทานปิยาวาจาอัตจริยาสมานะตตา ทำออกมาเป็นสมารกรรมตาพูดออกมาเป็นสมาวาจาเป็นศีลได้จริงเป็นทานกุศลศีลกุศลด้านจิตใจเป็นสมาธิด้านทัศน์ความเห็นเป็นปัญญาทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้จริงเมื่อไรไปว่าโยมเนี่ยสามารถผ่านแล้วก็เข้าถึงพระธรรมได้อย่างแท้จริงขอความสวัสดีในธรรมโงมีแก่ท่านทั้งหลายวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอให้พระรัตนตรยัยคุ้มครองท่านทั้งหลาย ดำเนินไปตามมรรคาของพระคินาเจ้าเข้าถึงอนุปาทาปริณิพานคือการเส้นจะ ก, กิเลสและกองทุกโดยการทุกท่านทุกประการเทินสาธุสาธุ